พร้อมกันหรือยังยพร้อมแล้วเนาะอ้าจะกล่าวถึงในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีหลายสูตรที่จะกล่าวถึงในปัญหาที่ท่านยิ้มถาม เรื่องป่ปัญจะทมหรือป่ปัญจะสัญญาเป็นต้นพูดถึงในเรื่องของตันหามานาทิฏฐิในพระสูตรในโดยเฉพาะในทีคธติกายมหาวัช ก, ก็ในคำพีในเรื่องสักกปัญหาสูตรและในพระสุตอีกสูตรนะนมัทภุตที่กัดสูตรเอเสียงเสียงกขาด เกิ น, นก็เป็นพระธรรมคําสอนที่พระเจ้าตรัสรู้และทรงนามาสั่งสอนเวนัยสัจเพื่อให้รู้ตามเพื่อความดับทุกข์มันเกิดจากกิเลสเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นก็ตรงนี้ก็พูดถึงว่าถามว่าในพระสูตรสูตรเนี้หลักธรรมคาสอนพระเจ้าที่สั่งสอนเราสาวกย่อมยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นก็กคือ พูดถึงในเรื่องของประโยชน์นั่นแหละทิฏฐธรร ม, มิกถาประโยชน์เป็นต้นสัมปรายิกถาและก็ปรมาทัประโยชน์คําสอนพระเจ้าก็จะเป็นไปลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ในอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลักการที่ว่าโดยเฉพาะประโยชน์สูงสุดก็เป็นเรื่องของการเจริญศีลสมถะวิปัสนาโดยเฉพาะตัววิปัสสนาญาณนี่แหละที่จะได้เป็นปจัจจัยในการรู้แจ้งหลุดพ้น จากกิเลสและกองทุกข์แต่ทีนี้ในเรื่องของการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ยังติดอยู่กับความอยากที่เรียกว่าตัณหาหรือว่าติดอยู่ในความถือตัวเขาเรียกว่ามานะติดอยู่ในความเห็นผิดที่เรียกว่าทิฏฐิเพื่อย่อมจะไม่เจริญก้าวหน้าต่อการเจริญวิปัสสนาญาณเป็นต้นได้อันนี้เป็นตัวปัญหาของหมูสัตว์ที่ทําให้หมู่สัตว์นั้นออกจากกิเลสและกองทุกข์ไม่ได้ ก็เพราะไอ้สามตัวนี่แหละ<ม>เขาเรียกว่าตัณหามานะและทิฏฐิบางทีเขาแปลว่าเป็นกิเลสเครื่องเนิ่นช้าย่อมจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติวิปัสสนาญาณของบุคคลที่ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานที่เป็นระดับปรมาภัพประโยชน์คือประโยชน์สูงสุดในพุทธศาสนาฉะนั้นในมาทุ ป, ปินทิกสูตรเนี่ยจึงเป็นพระสูตรที่กล่าวในเรื่องนี้ไว้ด้วย ความหมายของมัทุปปิณฑิกาสูตรก็ดีเหตุเกิดของพุทสูตรหลักธรรมในมัทุปปิณฑิกาสูตรทีนี้ในคําว่ามัทุปปิณฑิกาสูตรแปลว่าอะไรเนี่ยมัทุปนี่ก็แปลว่าอะไรศัพท์นี้แปลว่าไพเราะแปลว่าหวานแปลว่าอร่อยแปลว่างามมัทุปเนี่ยเป็นอกการันในอิทีลิงลงศิปธรมาวิพัฒน์ ฝ่ายเอกวัจจนะลงสี่ลบสี่สำเร็จรูปเป็นมัทุปปินฑิกาก็แปลว่าชิ้นแปลว่าก้อนแปลว่าแท่งก็ได้แปลว่าชนิดแปลว่าประเภทสับเดิมก็เป็นปินฑิกาเป็นอาการันในอิทธิลิง์ลงสี่ปฏภาวิพัฒน์ฝ่ายเอกวัจนะตามหลักบาลีก็ว่าอย่างนี้นะลงสี่ลบสี่สำเร็จรูปเป็นปินฑิกาก็คือว่าปินฑิกาก็คือธรรมเทศนาถ้าแปลตรงนี้จะแปลยังไงเนี่ยเป็นพระสูตรที่แปลว่าอะไรเนี่ย ที่มีรสหวานหอมที่มีรสอร่อยที่มีความไพเราะที่มีความงดงามอย่างยิ่งเป็นเหมือนน้ำพึ่งนะครับเขาบอกว่าพระสูตรสูตรนี <im> ้เออเวลาอ่านเวลาฟังเวลาศึกษาให้เข้าใจอัฏฐะและวยัญชนะจะมีรสหอมหวานประดุดปานน้ำพึ่งเนี่ยจะเล่นศพเป็นแบบนี้ทีนี้ การศึกษาเนี่ยในมัธุปินิกาสูตรที่พระอัตคราาจารย์ท่านวิธิัยพระบาลีก็ไว้ว่าในพระสูตรนี้มีอัดอยู่หกอย่างประการแรกก็คือการแสดงถึงประโยชน์ประการที่สองเพราะเป็นพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นสวากขาตธรรมแล้วก็เพาะผลหรือว่าผลิตประโยชน์หรือว่าหลังประโยชน์ออกมาแล้วก็ ผลประโยชน์ก็คือสร้างเหตุที่ดีกัหลังประโยชน์ตลอดถึงว่าเพราะเป็นที่ต้านทานเป็นที่ต้านทานก็คือต้านทานที่จะไม่ให้บาปอุปสรรก ร, รมมันชั่วร้ายเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมีส่วนเปรียบด้วยเส้นได้บรรทัดเส้นได้บรรทัดที่จะเป็นเครื่องวัดในการที่จะร้อยเรียงทําให้เกิดความงดงามางนี้เป็นต้นฉะนั้นมทัทโธปินเทกัสูตรเนี่ย เป็นพระสูตรที่แสดงถึงอัศว์พ่อตรัสไว้ดีแล้วเพราะผลิตประโยชน์พ่อหลังประโยชน์เพ่อต้านทานได้ดีและเพราะมีส่วนเปรียบด้วยเส้นได้เส้นบรรทัดนะที่มีความตรงมาทู ป, ปินที่กสูตรหมายถึงพระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาอันไพเราะที่พระเจ้าแสดงแก่ทันทปานิสากยะที่ไหนที่โคนต้นมะตูมหนุ่มใจความว่าสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรเป็นอาทิอย่างนี้เป็นต้นนะนะ มัทุปปินที่กลังได้แก่ขนมหวานมากก็ได้เป็นแปลว่าขนมก็ได้บางทีมีคําว่าอาเสจนะโกเคยได้ยินในความหมายในการเจริญอาณาปาณสติไหมครับเป็นอเสจนะโกก็คือว่ามันชื่นใจชูใจมีรสที่ปรุงแต่งดีแล้วนะเป็นเป็นรสที่มีความหอมหวานหอมหวานสรุป ความหมายนะของมัทุปินทิกสูตรเนี่ยทั้งสัพท์ในอัถนใยตามที่ได้วิเคราะห์เนี่ยตามพระ อ, อาจารย์ที่ท่านแสดงมาเนี่ยที่ได้อุปมาเหมือนกับขนมหวานกินเข้าเวลาใดก็จะมีรสชาติอนหวาหอมหวานและอร่อยประพฤติปฏิบัติรูปฟังเวลาใดแล้วก็จะเกิดความสดชื่นว่นี่นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่านอนนจงจํำทำปริยายนี้แล้วก็จงจําชื่อว่านี่คือมัทุปินทิกปริยายะ มีความ ห, มหอมหวานอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นต้นเหตุเกิดของพระสูตรก็คือว่าในลักษณะของเหตุเกิดในพระสูตรนี้เป็นถามว่ามีอยู่สี่อย่างนะอัตตชาสยะเวลาพุทธเจ้าจะแสดงธรรมเนี่ยเป็นไปตามอัธยาศัยของพระองค์นั่นเองสองปรัชชาสยะเป็นไปตามอัธยาศัยของผู้อื่นสามปุจฉาวิสกะ เป็นไปด้วยเหตุแห่งการถามสี่ก็คืออัถุ ป, ปฏิกะเป็นไปด้วยเหตุที่เกิดขึ้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นได้มรดาเหตุทั้งสี่อย่างนี้ยมาทุบ ป, ปินทีกสูตรมีเหตุที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งการถามเพราะพระสูตรสูตรเนี้ยพระเจ้าแสดงเพราะเหตุที่ทันทะปานปานิสากยะทูลถามปัญหากับพระองค์ในขณะที่พระเจ้าประทับอยู่ที่นิโคทารามเคยไปไหมยังนิโคทารามอยู่ที่ไหน ทำทามองหน้ากันอยู่ที่กระบิลพัฒน์ใช่ไหมใครเป็นคนสร้างาาต่อายไปยุลายานะอยู่ใกล้กรุงกระบิลพัฒน์แฟนอะไรเออแฟนสักกะทำไมยังเรีย ก, กว่าแฟนสักก ะ, กกะฮ ะ, อกกะเออเอาว่าไปอีกเยอะเลยยาวเรื่องนี้ตอมแล้วยาวเลยีนี้ พระสูตรนี้พระบระมา ศ, าศาสดาทรงสแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่นิโคทารามใกล้กรุงกบิลพัฒน์นั่นแหละโดยที่พระริเจา้าปารอบคาถามของเจ้าสักยะพระองค์หนึ่งชื่อว่าธันท ป, ปานิสกากยะนียแต่ทรงสแสดงเพียงอุทเทศสแสดงแต่หัวข้อพอแสดงเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยไปกลับไปสู่วิหารเข้าสู่พระวิหารเลยท่านพระมหากจรยนะก็เลยสแสดงภาคนิเทศคือขยายต่อเนี่ยเป็นพระมหาการยานะเป็นชาวแฟนไหนครับ อุเชนีมแควนแควนพระเจ้ายุกแคว้นไหนถามท่านหนอาวันตีทักขินาชน บ, บทใชท่ท่านผู้ที่ฉลาดมากรูปงามด้วยนี่แหละหน้าที่ของท่านก็คือท่านสามารถแสดงพระสูตรนี้โดยพิสดารได้เป็นภาคนิเทศซึ่งทรงแสดงเพียงพระเจ้าแสดงเพียงอุเทศ พ่อมีพระประสงค์ที่จะชมเชยพระมหากจรยนะนั้นเหตเกิดของพระสูตรนี้จึงจัดอยู่ในปุจฉาวสิกะและลักษณะของมัทุปปินที่ก่อสูตรนี้เป็นปริยยโวหารแบบถามตอบนะครับในพระสูตรนี้เกิดขึ้นในขณะที่พระเจ้าประทับอยู่ที่นิโคทารามดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในใกล้กรุงกระบีละพัดแกลนส ก, กาบทานทะ ปานิสากะยะกําลังเสด็จเที่ยวเล่นอยู่ได้เสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันป่ามหาวันนี่เคยมีพระสูตรไหนที่พระเจ้าทรงสแสดงดีดังที่สุดมหาสมัยยรอยู่ในอยู่ในนิกายไหนห้ามบอกว่าทำประโยชน์หรือมานิกายเนเออในทีค่านิกายโอ้ท่านไหนเริ่มมั่นเยอะเลยทีนี้เดี๋ยวเรียนพระไตรปิฎกได้เลยแบบนี้เนะนี่ยป่ามหาวันนะครับ ที่ต้นเมตโอมนุ่มได้เข้าไปปราศัยพระพุทธเจ้าพอผ่านการปราศัยให้ลึกถึงกันแล้วก็ยืนได้ยืนยันไม้เท้าหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระพุทธเจ้าใช้ไม้เท้าคำ้ำยืนถามพระพุทธเจ้าว่าพัสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรมีปกติบอกอย่างไรพระองค์ตอบดังนี้บอกว่าตรัสถามตอบคําถามทันท่ปานิศักยะโดยทรงชี้ไปว่า ทรงมีวาทและตรัสบอกในทางที่ไม่ทะเลาะกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกและก็ในทางที่สัญญาความกำหนดหมายด้วยกิเลสก็คือไม่มีกิเลสสัญญาเวลาพระพุทธเจ้ากาหนดหมายทีจะสอบจะไม่แฝงตัวตามหมายความว่าเขาบอกว่าทันทัปานิสากยะเนี่ยถามพระพุทธเจ้าบอกว่า มีวาทะและตัดบอกในทางที่จะไม่ถามว่าพรธเจ้าเนี่ยมีปกติพระสัมมามีปกติกล่าวอย่างไรมีปกติบอกอย่างไรคือเวลาจะพูดเนี่ยมีลักษณะกล่าวอย่างไรแล้วก็เวลาจะตอบเรื่องใดๆนะมีปกตินะบอกอย่างไรพระเจ้าก็บอกเลยตอบบอกว่า ทรงมีวาทะและตรัสในทางที่จะไม่ทะเลาะ ก, กับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทนวโลกนี่คือลักษณะของพระเจ้าและในทางที่สัญญาคือการกําหนดหมายด้วยกิเลสคือกิเลสสัญญาจะไม่แฝงตัวตามจะไม่มีกิเลสเป็นเครื่องปัน่นไม่มีปั่นจะสัญญาเนี่ยเป็นเครื่องปั่นในใจว่างั้นเถอะไม่มีการคิดปรุงแต่งด้วยอำนาจของกิเลสแล้วก็ผักกิเลสออกนั้นมาเป็นการกระทําและคําพูด พระวจีเจ้าจะไม่มีลักษณะแบบนี้ซึ่งต่างจากปุถุชนโดยทั่วๆไปแม้แต่ทันทะปานีสากยะก็มีลักษณะแบบนี้ชอบขู่ชอบคมชอบใช้คำพูดทิมๆแ ท, ท, ท, ทงๆคนพวกนี้เพราะมีอะไรมีปปั่นจัดสัญญาสาขามีส่วนแห่งกิเลสคือตัณหามานาทิฏฐิที่ปรุงแต่งผันพิสดารอยู่ในใจก็พากออกมาเป็นพฤติกรรมและการการะทำํำมูซา ท, ทั้งหลายมีปกติเป็นแบบนี้พอมองเห็นไหม S 1> <S 1> ซึ่งเราแต่ละวันแต่ละวันเราก็จะมีกิเลสเหล่านี้แฝงตัวตามกิเลสสัญญาเนี่ยแฝงตัวตามอยู่ตลอดเวลาคอยปั่นเรื่องราวต่างๆคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วก็ผักออกมาจะเป็นพฤติกรรมผักออกมาเป็นคําพูดผักออกมาเป็นการกระทําบางทีก็ผักให้เรามองอย่างนี้ให้ฟังอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้โอ้โมันหมุนปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเลยไอ้กิเลสเนี่ยบอกพระต ถ, ถาคตจะไม่มีปกติเหมือนอย่างนี้นะว่ากันเนี่ยโหดูดีคําถามถามกลับมันย้อนตีกลับหนะึ่ง เพราะเพราะอะไรพุทธเจ้าจึงตอบตอบตรงประเด็นขนาดนั้นเพราะพุทธเจ้าเห็นอะไรเห็นกระแสะชีวิตเห็นกระแสะความคิดของหมูสัตว์บุคคลผู้อยู่อย่างไม่ประกอบด้วยกามเป็นผู้ลอยบาปแล้วผู้สิ้นความสงสัยรังเกียจบาปปราศจากความทยานอยากในพบน้อยและพบใหญ่แล้วพุทธเจ้าไม่มีเลยนะตัวกิเลสคือตัณหาที่แสบไปในพบต่างๆยังต้องการอยากจะไปเกิดในพบน้อยพบใหญ่ไม่มี แล้วก็ทรงเล่าเรื่องที่ทรงตรัสถามคําตรัสถามของทันทาปานิสักยะให้ภิกษุทั้งหลายฟังเมื่อภิกษุขอให้ทรงอธิบายก็เลยตรัสแบบยอ่อๆคืออุทเทศนะภิกษุทั้งหลายพอตรัสแบบยอ่อๆแบบอุทเทศปุ๊บภิกษุทั้งหลายก็พากันไปหาพระมหา迦เจย น, นะทีนี้เพื่อจะให้พระเทระเนี่ยอธิบายความที่พระพุทธเจ้าตรัสสั้นๆนั้นน่ย ส่วนแห่งความกําหนดหมายกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้เนื่องช้าเนี่ยมันหมายมายจากคาว่าปันปะปันจัดสัญญาสาขาเขออ้เาไปปะปันจัดสัญญาสังขารเนี่สอเสือมไม่หันงองงูเนี่ยขอ ข, าาขาันธเดี๋ยวจะไปขยายอีกทีไปเจอเอ๊ะแปลยังไงเนี่ยปะปันจัดสัญญาแล้วยังมีคําว่าสังขารใช่ไหมสังขารศัพท์นั้นแปลว่าส่วนส่วน ส่วนแห่งสัญญาที่เป็นไปกับตันหามณนาทิฐิส่วนแห่งสัญญาที่เป็นไปกับกิเลสคือความอยากคือคูความยกตนชูตนเปรียบเทียบตนคือการเห็นที่วิปริตผิดเพี้ยนฉะนั้นไอ้ส่วนแห่งสัญญาที่เป็นไปกับตันหาส่วนแห่งสัญญาที่เป็นไปกับมานะส่วนแห่งสัญญาที่เป็นไปกับทิฐิอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปะปันจสัญญาสังขาร แค่จะแค่จะแปลก็ยากแล้วนี้จงตะอเจาะความเข้าใจอีกตรงเนี้ยเพราะในพระสูตรชั้นก็ไม่ขยายเราก็ต้องมาขยายกันอะไรแต่เนี้ยเยี๋ยวดูเรื่องราวก่อนฟังเรื่องราวมันก็ทําให้บันเทิงให้เกิดรสรสขหอมหวานอร่อยใช่ไหมเจาะเข้าไปในรายละเอียดเบ็ดเสร็จปุ๊บล้วก็จะได้เคี้ยวใช้สติปัญญาเกิดขึ้นมามันอร่อยมากเราเห็นความจริงของชีวิตและเกิดรสชาติหอมหวานประดุดปานกินน้ําผึ้ง มันเป็นอย่างนี้ัองี้เริ่มออกรถได้ยังเริ่มยังโอ้ยังเลยโ อ, โอ้โหตาผมเคี้ยวตั้งนานแล้วยังไม่เคียวเลยส่วนแห่งการกำหนดหมายกิเลสที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าที่เรียกไปพันใจสัญญาสันขาเนี่ยย่อมครอบงำบุตเพราะเหตุใดถ้าไม่เพิดเพลินไม่ยึดถือในเหตุนั้น ในเหตุนั้นวงเล็บคืออายตนะสิบสองคืออายะนะภายในหกภายนอกหกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นอายตนะภายในยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑรทำอารมณ์เป็นอายตนาภายนอกอันนี้ตัวที่มันกําลังเชื่อมต่อกันเนะี่ยเชื่อมต่อกันเชื่อมตลอดไหมตลอดเลยเมตการฟังธรรมฉะนั้นจะบอกในเหตุแห่งอายะทาได้นั้นนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งกิเลสที่แฝงอยู่อนุสัยทั้งเจ็ด มีการมราคานุสยัยปฏิค า, านุสยัยภวะราคานุสยัยมานานุสัยทิฏฐานนุสัยเอาวิชานุสัยเป็นต้นเหล่านี้นะเนี่ยมันก็กิเลสที่นอนซ่อนอยู่ในขันธสันดานแปลงนี้ได้ไหมกิเลสที่นอนตามอยู่ในขันธสันดานกิเลสที่นอนซ่อนอยู่ในขันธสันดานกิเลสที่ติดแน่นอยู่ในขันธสันดานเพราะอธถรมยังละไม่ได้ เพราะอาตาวยังละไม่ได้นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งการยังสัตรานั่นแหละเป็นที่สุดแห่งการทะเลาะและการชี้หน้าด่าทอการส่อเสียดการพูดปดโดยการขยายเรื่องราวต่างๆมากมายมันมาจากอะไรนี่ที่หนมันมาจากไกปรปะปนจาสัญญาสาขา และเพราะมันมีตัวอนุสัยกิเลสที่มันฝังแน่นในขันธสันดานพอมันได้เหตุปัจจัยจากการที่กิเลสสัญญาการจําหมายด้วยกิเลสในส่วนของกิเลสต่างๆเหล่านี้มันก็ปั่นมันก็หมุนมันก็ผันพิสดารเพราะมันปรุงแต่งต่างๆมาพอได้เห็นปุ๊บจากปรปันจสัญญาสังขารมันก็ปั่นขึ้นมาแล้วจากอนุัยกิเลสผุดมาเป็นปริยุทธานะจากปริยุทธานะก็ปั่นออกไปเป็นวีติกัมะ อนุใสเนี่ยแปลว่ามันยังไม่เกิดแต่พอมันมีเชื้อแห่งการกระทบกันระหว่างตากระสีใช่ไหมพอกระทบตึงขึ้นมาเนี่ยเหมือนกันกับอะไรนะไม่ขีดกับกล่องหัวไม่ขีดกับกล่องไม่ขีดเนี่ยถ้ามันอยู่ห่างๆกันไม่เป็นไรนะพอมากระทบกันฟึ๊อะไรคือฟูขึ้นมาแล้วนั้นเหมือนกันพอเห็นปุ๊บก็ โฟ่ขึ้นมาคิดทุกที่ปรุงแต่งผันพิสดารแล้วจากใจขึ้นมาปุ๊บกิเลสก็กุ้มรุมขึ้นมาจากที่ยังไม่มีเหมือนไม่มีอะไรพอกระทบทางตากระทบกระสีปุ๊บผันพิสดารเกิดขึ้นมาปุ๊บปปัญจะสัญญาสาขา ข, าขึ้นอนุสัยถักขึ้นมากลายเป็นบริวิธานะเป็นการมาฉันทาพยาบาทีนะไม่เท่าอุทเทจารกุกุจ้วิจิกิจฉาหมุนปรุงแต่งในใจต่อผักออกมาเป็นพฤติกรรม เป็นวิติกรรมกิเลสออกมาทางกายทางวาจาทางพฤติกรรมโอ้โ ห, หตัวนี้เห็นไหมยังทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจมันเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นกิเลสที่มันนอนซ่อนอยู่ในขันธสันดานนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้จับสัตราวุธในการขัดทะเลาะเบาะแวงการชี้หน้าด่าทอการกล่าวส่อเสียดการพูดปด ปานติบาตอาทิตนาทานการเมสุมิชาจานมุสาวาต ป, าาาาปาีสุนาวาชาพธิสวะปาสัมปปาราอภิชาพยาบาทมิฉาทิฏฐิโอ้โหมันกระแทกออกมาอีกเยอะเลยเห็นนี่ยังทีนี้ดังที่ได้กล่าวบอกว่าอาศัยอายัตนาภัยในอายัตนาภายนอกเกิดความรู้แจ้งอารมณ์ก็เรียกวิวญยาณทำสามประการนะก็คืออายัตนาภายในอายัตนาภายนอกและวิญยาที่เรียกวิปัสสาก็การถูกต้อง เพราะภาษาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาสุขบ้างทุกบ้างความรู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นปัจจัยเพราะเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดสัญญาเมื่อมีความจําได้หมายรู้ก็มีการตรึกในอารมณ์นั้นสัญญาก็ทําให้เกิดมีวิตกเมื่อตรึกในอารมณ์ใดก็เนื่นช้าอยู่กับอารมณ์นั้นตรึกในอารมณ์ใดตรึกด้วยตัณหาตรึกด้วยมานะตรึกด้วยทิฏฐิก็เนื่นช้าอยู่ในอารมณ์นั้นเนื่นชา้า คำว่าเนิ่นช้าในที่นี้ก็หมายกว่าว่าผันพิสดารอยู่ในอารมณ์นั้นอยู่ในเรื่องนั้นออกจากอารมณ์น <sil æ, S 2> ั้นไม่ได้หลุดจากอารมณ์นั้นไม่ได้หลุดกับเรื่องราวนั้นไม่ได้กระปรุงแต่งผันผลอยู่กับอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นไปด้วยการอย่างนี้เมื่อเนิ่นช้าอยู่กับอารมณ์ใดส่วนแห่งการกําหนดหมายด้วยกิเลสที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าในรูปที่พึงรู้ได้ด้วยตาเป็นต้นทั้งที่เป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างก็ย่อมครอบงาเขาเพราะเหตุนั้นแหละ เมื่อมีอายตนะภายในมีอายตนะภายนอกมีวิญญาณที่รู้มีฐานะที่จับบัญญัติภาษาได้เมื่อมีการบัญญัติภาษาก็มีฐานะที่บัญญัติเวทนาได้แปลว่าอะไรพอมีการกระทบมีการประชมกันจึงเรียกว่าภาษาจึงบัญญัติคำนี้ว่าภาษาเพราะมีการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในอายตนะภายนอกมีตามีสี มีวิญญาณาก็จะขุญญาณพอมีการกระทบกันเมื่อไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่านี่คือภาษานั่นแหละเรียกภาษะกระทบทางตาก็เรียกจักรูสัมภาษาถ้าการกระทบกันทางหูเรียกโสตสัมภาษากระทบทางจมูกก็เรียกว่าคานะสัมภาษากระทบทางเล่นก็เรียกว่าชิวหาสัมภาษะกระทบทางกายก็เรียกว่ากายะสมภาษาถ้ากระทบทางใจก็เรียกว่ามโนโสัมภสษาภาษาหกไหม จึงบัญญัติวสัรสะภาษาไปต้นได้ทีนี้เมื่อมีการกระทบกันเืาเรียกภาษาเมื่อมีการบัญญัติผัสสะก็มีฐานะที่จะต้องบัญญัติเวทนาได้จากขู่สมัมผัสสะก็เป็นปัจจัยเกิดจากขู่สมัมผัสชาวเวทนามีเวทนาทางการเห็นขึ้นมาสุขทุกข์เฉยๆจริงไหม ถ้าทางหูก็โสตสัชชาเวทนาทางจมูกก็คานาสัมผัสชาเวทนาทางลิ้นก็จุหาสัมผัสชาเวทนาทางกายก็กายสัมผัสสชาเวทนาทางใจก็เรียกว่ามโนสัมผัสสชชาเวทนาจะบอกใส่สุขเข้าไปใส่ทุกข์เข้าไปใส่อุเบกขาเข้าไปก็แล้วแต่จะปรุงแต่งถ้ากระทบแข็งๆก็เป็น สัมผัสที่เป็นทุก็เป็นทุกขเวทนาใช่ไหมก็เป็นจักขู่สัมผัสสชาทุกขเวทนาถ้ากระทบนิ่มๆที่ชอบชอบก็เป็นจักขู่สัมผัสสชาสุขเวทนาไม่ทั้งตาก็ได้กระทบสิ่งที่ชอบะสิ่งที่สวยๆงามๆถ้ากระทบแบบนั้นบ่อยๆจนชิน ก, ก็กลายเป็น จากขู่สัมผัสสชาอาทุกขมะสุขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนาเป็นตาเ็นไหมทางตาก็ได้เวทนาสามทางหูก็ได้เวทนาสามทางจมูกก็ได้เวทนาสาม ทางลิ้นก็ได้เวทนาสามทางกายก็ได้เวทนาสามทางใจก็ได้เวทนาสามก็เลยกลายเป็นสามหกสิบแปดเวทนาสิบแปดก็เผาลนเขาเห็นยังวันวันหนึ่งก็เป็นกันอย่างนี้ไอ้นี้ถามว่าเวลาท่านพระมหากระจยนะสอนลึกขนาดนี้แล้วโอ้โหใช่ไหมเจาะลงไปเห็นความจริงของชีวิตที่เราได้สัมผัสกันจริงๆเลยนะเนี่ย ใครรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้คนมันก็พ้นทุกได้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นแบบนี้ทีนี้เมื่อมีการบัญญัติเวทนาก็มีฐานะต้องบัญญัติอะไรต่อวิตกเพราะเกิดสุขเวทนาก็ตรึกก็ยกจิตตรึกในเรื่องนั้นไหมถ้าทุกขเวทนาก็ตรึกในเรื่องนั้นถ้าเป็นอุเบกขาเวทนาก็ตรึกในเรื่องนั้น ทีนี้เมื่อมีการบัญญัติวิตกก็มีฐานะต้องบัญญัติการครอบงำของส่วนแห่งความกาหนดหมายโดยกิเลสเป็นเครื่องเนื่นช้าวิตกก็เลยเป็นปัจจัยเกิดระปัญญสัญญาสังขารสัญญาจำปุ๊บกิเลสเครื่องเนื่นช้าตามมาหรือยังเกิดกำนัด เกิดยกตนชูตนเปรียบเทียบตนเกิดการวิปปิดษากการเนียนผิดพันพิสดารไหมหมุนปรุงแต่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่แหละพระพระมาหากรเจนะแสดงทุกทวารอย่างละเอียดละอเลยพอแสดงอย่างละเอียดละอ่อพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาว่าถ้าพระองค์จะอธิบายก็จะตรัสอธิบายเช่นเดียวกับพระมาหากรเจนะนี่แหละ พานนท์ก็กราบทูสลสารเสริญคำอธิบายนี่ว่าเหมือนคนหิวกระหายอ่อนกำลังได้ขนมหวานหิวเหมือนอะไรดีเหมือนท่านวันโหยแล้วได้กินแปับซี่ <laughs> แล้วเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเชื่นใจไหมอันเนี้ยโอ้โหทำให้เข้าใจอรู้สึกรสชาติหอมหวานงั้นจึงตรัดเรียกธรรมะปริยานี้ว่ามาทุ ป, ปินทิกปริยญายะ ปริยายะที่เหมือนกับขนมหวานด้วยอาการอย่างนี้อันนี้สรุปพระสูตรนี้ให้ฟังแต่ถ้าไปอ่านเองยากนิดนึงเนี่ยยาวแต่นี่สรุปให้สัน่นเดี๋ยวจะเจาะประเด็นเีนี้อันนี้ไม่ได้จบนะนี่เขาเรียกว่าไตเติ้ลทีนี้เอาละในวัตถุปินทึ ก, กสูตรมีธรรมที่ปรากฏที่พระเจ้าตรัสแก่ปันทัตปานิสากยะเนี่ยและนําไปตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย เริ่มต้นที่สัญญาโดยในที่พระองค์ตรัสอุเทศเรียกว่าหนึ่งพูดเรองประปันธจะสัญญาและต่อมาก็พูดในเรื่องอายตนะ12พูดเรื่องวิญญาณหเป็นต้นแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงตรัสหลักธรรมนี้ไว้ในมัทุ ป, ปินที่กสูตรถึงแม้พระองค์จะได้ไม่ทรงแสดงโดยพิสดารแต่ภายหลังพระมหาการยานาได้อธิบายโดยพิสดารตามคําของภิกษุที่ยังไม่เข้าใจหลักธรรมเหล่านั้นก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงนั่นแหละ ถึงแม้ภาษาวกแสดงเช่นพระหมหากระจา ย, ยนาแสดงอันนี้ก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าแสดงพระพุทธเาบอกว่าถ้าพระองค์แสดงก็เหมือนนี้เลยเป๊ะเลยแคนั้นใครที่ไปบอกว่าอย่าเชื่อคําของภาษาวกใช่ไหมมันจะมีว่าสาวกภ o k e พลาสิตและก็คําของคนเราอื่นเนี่ยที่บอกไม่ควรเชื่อถือเนี่ยในพระสูตรนั้นเน่ยผู้อ่านเนี่ยไปเข้าใจผิด คำว่าคำภาษาวกในที่นั้นไม่ใช่ของนั่นแหละไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่คำคำภาษาวกมีภาษาลิบุตรเป็นต้นไม่ใช่อย่างนั้นสาวกในที่นั้นหมายถึงคำนอก <c oughs> คำนอกศาสนาของขเชนเจ้าเนี่ยนี่พอไิยกตรงนี้ขึ้นมาก็มาเถียงกันในประเทศไทยจนทุกวันนี้แหละนี่เป็นปัญหาในสายของพุทธวจนะมีปัญหาตรงนี้พอไปอ่านพระสูตรแล้วไม่เข้าใจ คำว่าสาวกภาษิตธในที่นั้นนะ่ะไม่ได้หมายถึงคําพูดของภาสาริบุตร พ, นะพระโมคัลลานาพระมหากัจยาณ์เป็นต้นแต่หมายถึงคําพูดของบุคคลเราอื่นนะอย่างนี้เป็นต้นพอจะชัดไหมเนี่การการอ่านการศึกษาพระไตรปิฎกไม่จบเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้แหละจะว่าอย่างไงถ้าเราจะให้ไปเถียงกับเด็กสมมุตินะครับให้พวกท่านไปคุยกับเด็กห้าขวบ เด็กห้าขวบมันงองแงมันเข้าใจอย่างนั้นแล้วมันไม่ฟังเหตุฟังผลแล้วท่านจะท่านจะทำอะไรกับเด็กคนนั้นท่านจะคิดกับเด็กคนนั้นอย่างไรท่านก็คิดว่ามันเป็นเด็กแต่มันดูเอิญเด็กคนนี้ไม่มีคนฟังมันเยอะจะทำไงก็คือคือตรงนี้หนึ่งให้มรสการว่า เขาไม่ให้เถียงกับเด็กข้าขบเถียงเมื่อไรก็เสียมันจะลื่นไปเรื่อยใช่ไหมตามธรรมดานี่ก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใช้ไม่เลียวตีใชไม่เลียวตี <c oughs> นี่ก็ใช้ใไม่เลียวตีจะใช้กฎระเบียบจัดการเนี่ย <c oughs> อปปัญจ่เนาะในคำเภียพิธารก็ท่านกล่าวไว้สองความหมายแปลว่ากว้างขวางกับการแวะพิศดาน กว้างขวางกับคำว่าพิสดารทนะัทีนี้ปปัญญธรรมเนี่ยเป็นชื่อรวมที่เรียกกลุ่มของอกุศลหรือกิเลสสามตัวนะถ้าได้ยินคำว่าปปัญญธรรมตัวที่ไหนแปลว่าเป็นการเรียกชื่อของกิเลสสามตัวคือตัณหามานะและทิฏฐิไปการเรียกกิเลสสามตัวนี้ตัณหาก็คือความทยานอยาก มานะมานะมานะก็คือการยกตนชูตนเปรียบเทียบตนก็มานะก้าวมาจับมันจะชัดเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศเออเลิศอยู่เลิศนะสำคัญว่าเลิศเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาก็เป็นมานะนะครับเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตนว่าต่ำกว่าเขายังเลิศอีกยังยังยังเป็นมานะอีกเป็นผู้เสมอเขาสาคัญตัวว่าเลิศ เสมอเขาสําคัญตัวว่าเสมอเสมอเขาสําคัญกวาว่าต่ํากว่าอาอเป็นมนานะอีกต่ํากว่าเขาสําคัญว่าตัวว่าเลิศต่ำกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเ ข, า ต, า, เข า, อ า, าต่ำกว่าเขายังสําคัญว่าต่ํากว่าเขาอีกก็เป็นมนานะนี่มนานะเก้าใช่ไหมครับใครไม่มีมนานะพระอรหันนอกนั้นมีมนานะทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่ามนานะมันมีหลายระดับนะครับ มานะที่เป็นนําไปสู่อบายภูมิก็มีเออมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามานะประเภทนําไปสู่อบายภูมิเนี่ยใครละพระโสดาบันละไอ้มานะอย่างห ย, ยาบๆทั้งหลายเหล่าเนี้ยเออพระสกอาธานาคาท่านก็รับเอ อ, อย่างนั้นมานะอย่างละเอียดใช่ไหมพระนาคารับเนี่ยมานะแบบประเภทอย่างละเอียดุยาาาบบยยดสุดๆเล เป็นกิจของพระทหารเข้าไปครับสรุปนั้นมานะบางทียกตัวอย่างเช่นท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็สําคัญว่าท่านเป็นพระโสดาบันท่านยังมีอยู่ไงตัวเนี้ยสําคัญถูกอย่างเงี้ยแต่ถ้าปุถุชนเนี่ยดั๋ยวมากสาคัญไม่ค่อยถูกที่จริงอัตราตัวตนมันไม่มีแต่เวลาพระโสดาบันท่านสําคัญมั่นหมายเนี่ยท่านเห็นกระแสขันเนี้ย ที่ท่านเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันท่านเห็นจริงๆแต่อย่างถ้าปุถุชนเนี่ยมันเห็นว่าเป็นตัวเป็นอัตตาเลยครับอย่างนี้เป็นต้นส่วนทิฏฐิเนี่ยก็แปลว่าความเห็นผิดความเห็นผิดโอ้เยอะเลยถ้าพูดเห็นผิดจะเห็นผิดแบบไหนอ่ะถ้าเห็นผิดแบบว่าเป็นสักกายทิฏฐิถ้าสักกายทิฏฐิเนี่ยับจัดเป็นเท่าไหร่ยี่สิบ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 อางี้เคยคือว่าผมนี่เป็นเราขนนี่เป็นเราเล็บนี่เป็นเราฟันนี่เป็นเราเคยเห็นอย่างงี้ไหมครับเราเป็นผมเราเป็นขนเราเป็นเล็บเราเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกเคยเห็นอย่างนี้ไหมเห็นว่าผมอยู่ในเราขนอยู่ในเราเคยเห็นอย่างงี้ไหม เราอยู่ในผมเราอยู่ในขนเราอยู่ในเล็บเราอยู่ในฟันเราอยู่ในหนังเราอยู่ในเนื้อเราอยู่ในเอ็นเราอยู่ในกระดูกเราอยู่ในเยือ่ออรดูก็ เ, เห็นนี่ไหนี่แปลว่าสักยะทิฏฐิเห็นผิดก็เห็นถูกทำไมถึงผิด <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ผมมันก็คือดินน้ำไฟล ม, มดินน้ำไฟลมที่มันแทงขึ้นมาอย่างเงี้ยจากศรีรษะแทงขึ้นมาเขาเรียกว่าผม บัญญัติไว้เลยผมอยู่ตามลําตัวเป็นต้นเป็นเส้น ๆ, ๆเรียกว่าขนถ้าอยู่ตรงนี้ก็เรียกวันนวดนวนใช่ไหมผมกับขนเหมือนกันหรือต่างกันขนกับผมเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันต่าง ยงกรรมเป็นอารมณ์กรรมฐานต่างๆเดี๋ยวไปบอกเหมือนกันไม่แยกไม่ออกผมขนเนี่ยบางคนบอกเหมือนเหมือนจะพูดไงว่าอธิบายไงว่าต่างเนี่ยทีนี้ความรู้สึกความรู้สึกสุขทุกเฉยเฉยเนี่ยบางทีเราไปมีไปสำคัญว่าไอ้สุขน่ยความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยเยเนี่ย เป็นเราเราเป็นความรู้สึกสุขหรือทุกข์เฉยๆนั้นไอความรู้สึกสุขหรือทุกข์อยู่ในเราเราอยู่ในความรู้สึกสุขหรือทุกข์นั้นโอ้โหเห็นไ้มเราไม่เคยไปวิเคราะห์ดูไงตรงนี้สังเกตดีในความเป็นจริงเวลาสุขใจขึ้นมาปื้ดเนี่ยเรามีความรู้สึกแต่เราสุขเวทนาเป็นเราหรือเราเป็นสุขเวทนาหรือสุขเวสุขเวทนาเป็นเราไหม เราเป็นสุขเวทนาไหมสุขเวทนาอยู่ในเราไหมเราอยู่ในสุขเวทนาไหมเราเห็นอย่างนั้นจริงๆริงไหมจริงๆมันมีเราไห ม, ไม เ, เวทนาเป็นสภาวธรรมมันเกิดจากอะไรเกิดจากเหตุปัจจัยมันเกิดจากภาษาเป็นต้นใช่ไหมไม่เกิดจากภาษาอาศัยการประชุมกันของตาสีแล้วก็จักรุญยาณประชุมกันก็เรียกว่าภาษาเพราะภาษาประชุมกันปุ๊บ ไปเห็นสีที่สวยก็เรียกว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นสีที่ไม่ชอบใจทุกขเวทนาเกิดขึ้นเห็นจนชินแล้วก็อเวขาเวทนาก็เกิดขึ้นงี้เป็นต้นเนี่ยจากนั้นเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นเวทนาเวทนาไม่อยู่ในเราเราไม่ได้อยู่ในเวทนาหรอกเวทนาเป็นสภาวธรรมการเห็นเวทนาเป็นเราเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าสักยญาติทีบเห็นผิดสําคัญผิ ด, ผด โอเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยเราเราติดข้องกับมันเยอะไหมเอเวทนาเนี่ยระหว่างรูปประธรรมกับนามธรรมเนี่ยอันไหนที่เราสำคัญว่ามันเป็นเรามากกว่ากันหรือทั้งหมดเลยเราไม่เคยไปวิเคราะห์เจาะลึกไม่เคยไปคิดไงเอาสัญญาในความจำเนี่ยสัญญาเป็นเราไหมความจำเนี่ยจำได้หมายรู้ เราเป็นสัญญาสัญญาอยู่ในเราเราอยู่ในสัญญาเ็าบอกว่าอย่างเราเคยพูดคำไหนไว้อีกคนหนึ่งมันจำได้ใช่ไมมันบอกมันจำได้เราก็บอกว่าสัญญาไม่ใช่เราเราไม่ใช่สัญญาสัญญาไม่อยู่ในเราเราพิสาญญาไปคุยมนันทะเลาะ ก, กันตายไหเนี่ย ใช่มเอาสมมติบัญญัติกับปรามาสไปนั่งคุยกันคุยกันไม่รู้เรื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยสัญญาเป็นสภาวธรรมมันไม่มีเราเป็นแก่นเป็นแกน ใ, นใดๆไปสิงอยู่ในสัญญาหรอกมันไม่มีเลยจริงๆแล้วสัญญาก็เหมือนพยับแดดใช่ไหมไม่มีอยู่จริงเลยมันก็เกิดดับสืบต่อตลอดเวลาแงน่นา ม, มาธรรมเหล่านี้ว่ารัก เวลาโลภเกิดขึ้นเวลาโกรธเกิดขึ้นเวลาตังเลสงสัยเกิดขึ้นเป็นต้นใช่ไหมเวลาเครียดเวลาวหดหูท่ท้อถอยกําหนัดขัดเคืองเป็นต้นเกิดขึ้นเนี่ยภาษาพระเรียกว่าสังขารฝ่ายไม่ดีแต่เราจะมีความรู้สึกว่าไอ้ความโลภเนี่ยความกําหนัดเนี่ยมันเป็นเรา เราเป็นความกำหนัดนั้นความกำหนัดมันอยู่ในเราเราอยู่ในความกำหนัดนั้นเวลาโกรธก็นเหมือนกันโกรธเป็นเราเราเป็นความโกรธความโกรธอยู่ในเราเราอยู่ในความโกรธจริงไหมเล่าบอกอืหวันนี้หัวเสียก็โกรธนี่มันไม่น่ากําหนัดเลยเนี่ยเป็นองนี้เห็นไหมเน่ยมันไม่เคยมาแยกแยะองค์ประกอบพวกนี้ศรัทธาโอ้โหวันนี้ศรัทธาไหลศรัทธา โอหนนี้ระลึกอะไรได้เร็วยังาก็เลยเป็นศรัทธาเนี่ยเป็นเราศรัทธาเป็นเราเราเป็นศรัทธาศรัทธาอยู่ในเราเราอยู่ในศรัทธาความเพียรก็เป็นเราเราก็อยู่ในความเพียรความเพียรอยู่ในเราความเพียรก็เป็นเราเราอยู่เราเป็นความเพียรความเพียรอยู่ในเราเราก็อยู่ในความเพียรนั้นสติเป็นเรา เราเป็นสติสติอยู่ในเราเราก็อยู่ในสติปัญญาเป็นเราเราเป็นปัญญาปัญญาอยู่ในเราเราอยู่ในปัญญาแท้จริงมันคือสังขารธรรมสังขารขันมันไม่มีเราจริงๆเลยนะเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยหมดเลยนะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยให้เหตุปัจจัยก็เกิดไม่ได้ให้เหตุปัจจัยมันก็ไม่เกิดอะไรทาไงเ ความจริงของชีวิตเป็นแบบนี้ยเราไม่เคยมานั่งแค่แก่เก่าดูเลยนะเพราะมันมีตัณหามะที่ถีนไปยึดติดอยู่นึกเป็นแบบนี้อวิญญาณคือจิตใช่ไหมการเห็นคือจากอวญญานเป็นผู้เห็นนะใช่ไห ม, ไหมการเห็นเป็นเราใช่ไหมเราเป็นความเห็นความเห็นอยู่ในเราเราอยู่ในความเห็นถามว่า ใครเห็นกูนี่อะไรเห็น <c oughs> เห็นกับตานว่างั้นนะมันเถียงตายเลยนะมันไม่มีเรามันมีจกกักรุญญาณเป็นผู้เห็นใช่ไหมวิญญาณเนี่ยเป็นผู้เห็นวิญญาณเป็นผู้ได้ยินอ ย, อย่างเงี้ยแต่มไปเห็นว่าเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราลิ้มรสเราได้ถูกต้องเราได้คิดนึก ถูกตัณหามาณทิฐิมันตรึงไว้หมดเลยมัตรามาตราสังไว้เลยครับออกไม่ได้เลยทเนี้มัดล็อกอยู่งั้นนะนั้นอย่าแปลกใจเวลาเราเรียนรู้พวกนี้แล้วไปวิจัยมากขึ้นมากขึ้นจนกระจายคำว่าเราของเราเราจนสักยทิฐิไม่เข้ามาพัวพันในใจมากๆแล้วเวลาไปเกี่ยวพันกับคนอื่นเราจะเห็นครับ แต่ถ้าเราไม่วิจัยพวกนี้นะเราก็จะไปขัดเคืองตลอดเลยครับไปเกี่ยวข้องอะไรก็ขัดเคืองแล้วหาความสุขในโลกใบนี้ไม่ได้นะครับคนที่มีสักยะที่ตินหนาแน่นอยู่ด้วยยากเอาลองช่วยบอกที่คนที่มีสักยะหนาแน่นมีอาการยง นคนที่มีสักยะทิฐิแบบหนานแน่นจะสังเกตได้อย่างไรอ้าสังเกตอะไรอวันคนขี้โกรธอ้าวพิมคนที่มีสักยะทิฏฐิแบบหนานแน่นจะสังเกตได้ยังไง ไม่ฟางใคร อ, อ้าวอ๋อนายบอกว่าแยกสมมุติกับปรมาจาย์อโยอม่นคนที่มีสักยะทิฏฐิแบบหน า, นานแน่นจะมีลักษณะพฤติกรรมแสดงออกมาอย่างไรที่เราจะสังเกตได้ชัดฮะลอกหมุนรอบตัวเราแปลว่าอะไร เมื่อกี้วันบอกว่าไงเนี่ยเมื่อกี้แม่บอกโลกหมุนแลกรอบตัวเราคี้โกรธเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ตรงหน้าอ๋อตัวเองเป็นหลักก็เหมือนกับโลกหมุนรอบตัวเราอย่างนั้นหรือเปล่าออไนบอกว่าแยกธรรมะและบัญญัติกันไม่ออกคืออย่างนี้ เห็นได้ชัดคือคนที่มีสักยะทิฐิมากๆนะครับที่มีตัณหามาณัทิฏฐิแบบแรงๆลุมเล้าศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ได้เกิดจริงเลยต่อยเรียนธรรมะขนาดไหนเนี่ยจะสังเกตได้ก็คือเป็นคนที่ติดสมมุติอย่างรุนแรงและมีภาวะความขัดแย้งสูงทั้งในใจและการแสดงออกอันนี้สังเกตได้ไม่ยากนะ นั้นคนที่ติดสมมุติอย่างรุนแรงอย่างเหนียวแน่นเลยนะเพราะเขาสำคัญว่ามันมีจริงนะไอตัวสักยะติทิมันติดสมมติมันติดสมมติไม่ฉลาดในสมมติหรอกพอไ ม, ไม่พอติดในสมมุติเนี่ยมันเลยมีความอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับเออเช่นติดในที่อยู่โอ้โหใคยจะไปเกี่ยวข้องกับที่อยู่มันวงมันฮวงมันฮวง แล้วมีพวกเนี้ยมีสามีมีภรรยามีพ่อมีแม่มีพวกมีพ้องมีคนของเราพวกของเราเนี่ยโอ้ห่วงตัวนี้ห่วงแล้วก็ลาบสกาละที่ตนเองจะได้ประโยชน์ได้ต่างๆห่วงไม่อยากเนี่ยห่วงอย่างเหนียวนั่นแล้วก็เกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็ความรู้ความรู้ของตนเองตนเองคิดอะไรได้อะไรต่างๆเนี่ยห่วง ถ้าไม่เอาชื่อเองตัวนี้ไปประกาศไม่ได้เลยจะเป็นจะตายเลยฮ ะ, ะอ๋อลิขสิทธ<อ>ิ์การจดลิขสิทธิ์ก็เป็นเรื่องตามกฎหมายเป็นกติกาเขาว่าไปแต่พวกนี้มันจะห่วงยัห่วงถ้ามันคิดอะไรได้เนี่ยโอหถ้าเอาไม่พูดแล้วไม่บอกมันโกตตายเลยครับโกตตายเพราะมันมันติดสักยทิฐิเพราะมันคําว่าเราคิดเราคิด บ้านเราทรัพเราบุตรสารมีสามีภรรยาของเร า, เายศอำนาจฐา น, นันดรเราควรได้รับเสียงชมนี่มันจะติดไ อ, อ้สมมตินี่เหนียวแน่นมากครับไอ้สักกายทิฏฐิเนี่ยตัณหามานะทิฏฐิเหนียนมีกาําลังศีลสมาธิปรรัญญาคืออย่างนี้ศีลมันเป็นปฏิปักษต่อต่ออะไรศีลปฏิเป็นปฏิ ป, ปักต่ออะไรมานะ สมาธิเป็นปฏิปากต่อตัณหาและปัญญาเป็นปทิฏฐิเป็นปฏิปากกับปัญญาหรือปัญญาเป็นปฏิปักต่อทิฏฐิใช่ไหม <S <S ฉะนั้นคนที่ทําศีลสมาธิปัญญาเกิดได้ไม่จริงนะมันก็เลยถูกตัณหามาณทิฏฐิรอกไว้พอมีตัณหามาณทิฏฐิเบียเสร็จปุ๊บมันก็เลยมีมีสักยทิฏฐิไ อ, อตัวทิฏฐินี่แหละมันก็ติดสมมุติอย่างเหนียวแน่นเลย อย่างเหนียวแน่นมีภาวะความขัดแย้งสูงลิศยาสูงอะไรสูงตามมาหมดกระทบกระทั่งแยกพวกแยกเรามีอัตลักษณ์มีทัศนคติยึดเหนียวแน่นอยู่งั้นแหละกอดลัดวัดเวียงผันพิสดารอยู่ไอ้ความเห็นแบบนั้นละท่านเวลาแมลงสาบมันวิ่งไปในห้องท่านเครียดไหมถามเครียดไหม เครียดเอออันเดียวกันนั่นแหละครับนั่นแหละสักยะทิฏฐิคนที่มีสักยะทิทฐิเยอะๆเนี่ยใครมันรู้สึกว่าใครมาแตะต้องเราของของเรานี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับ ยุงสามตัวบินในห้องนอนไม่หลับเคยเป็นไหมมันรู้สึกว่ามันมารอบกวนการนอนของเราแล้วมันยึดอยู่ในเรื่องของผันพิสดารอยู่ใน่รื่อะไอ้มันจะเกาะใช่ไหมแท้จริงแค่สามตัวใช่ไหมให้มันกินนิดเดียวฮนะแล้วมันก็อิ่มแล้วมันจะไม่กวนเลยครับยอมให้มันกัดเลยครับยอมเลยครับยอมไปสามตัว อดีตหลวงพ่อเจ้าว่าที่วัดกลางที่มรณาภาพไปแล้วที่วัดกลางเนี่ยตัวเลือดมันเยอะมากเลือดยังเยอะเลยครับทีนี้มันตอนที่อาจารย์มาอยู่ก็ยังมีอยู่เลยเลือดเยอะจริงๆริงทีนี้ก่อนหน้านั้น ออท่านก็นอนเห็นตัวเลือดมาเนี่ยท่านก็ใช้ใช้ไออใช้คล้ายๆสายโยงสายสินอะไรเงี้ยนั่นไว้เอามาท่านที่ตัวไว้ให้มันเดินขึ้นมากินเลือดท่านแล้วก็นอนเต็มเลหมดท่านก็ไม่ว่าเลยมันทีนี้ นล้ข้ามีเด็กวัดมีอะไท่านไปบินทบบา ห, หรือไปกินที่วนที่ไหนกลับมาก็าใช้น้ำมันกาซเนี่ยโถูทั้งนั้นทั้งวัดเลยกลับมาท่านนั่งซึมอยู่แป๊บแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรบ้างเออประวัติมันไปแปลกดีั้มท่านก็ยังอนุเคราะห์มันขนาดนั้ น, นอันนี้จะ เขาจะคิดไงไม่รู้ในะแต่ว่าประเด็นชี้เห็นว่าคนที่มีสักกายทิฏฐิเยอะๆนี่ครับเป็นคนที่หวงหวงนะครับก็วัดกันที่ตัวมัชชริยะก็วัดกันตัวท่ริษยาถ้าตัวมัชชริยะลิษยามากนี้เป็นอาการของตัณหามันะโดยเฉพาะทิฏฐิมันผันออกมามันกลายเป็นกลัวสักกายทิฏฐิเยอะ รุนแรงจัดครับทีนี้เออมันต้องดูด้วยว่าบางคนเนี่ยแม้เป็นคนไม่หวงและชอบให้แต่ยังมีสักยะทิฏฐิอีกเออ ม, มันมันมีไอตัวขันท้าแต่เดี๋ยวไม่ไปเจาะตรงนั้นนะคือมันพอใจจะให้อย่างนี้แต่ไม่พอใจที่จะให้คนนี้มันมา ไปบินธบารมาเพ่ได้อาหารมาก็มาแบ่งแบ่งได้ตั้หามันปราพิธีแล้วกูจะให้อ น, นี้คนนี้กูจะให้ของ น, นี้คนนี้ถ้าใครไปสลับเครื่องเลยครับไอสักคน์ศรีักดิ์ศรทีต่ตั้งเหมือนทานกุศลนะแต่ไม่ใช่นะครับถ้าคนที่เป็นทานกุศลจริงๆเนี่ยจะวางท่าทีทางใจได้นะครับคือเขาจะจัดตามลําดับเป็น แม้จัดตามลำดับเป็นแต่ถ้ามีใครมาสลับเขาก็ไม่เคืองเพราะเราได้ทำดีแล้วอธิบายเหตุผลถ้าเขาไม่ฟังก็จะไม่เคืองเรื่องนั้นด้วยแต่ถ้าคนที่มีศักยะาติถินะครับแม้จัดนะถูกต้องมีปัญญาไงเฮ้ยให้พระเถระก่อนให้คนมีคุณธรรมไล่ไปตามลำดับจนถึงคนกวาดถนนจัดไว้เป็เสร็จปุ๊บ ถ้ามีคน<ต>มาสลับเครื่องเขาีกศสกยาธิปี ก, กู ท, ทำอย่างนี้มันมีมีสัตว์บุคคลเป็นผู้ทำครับกูจัดไว้อย่างนี้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเป๊ะเป๊เ ป, เ ป, เป๊เป๊มันล็อกล็อกอะไรอีกล็อกรูปแบบแตตดรูปแบบอ๋อก็ให้ตามที่เขาชอบก็ถูกต้อง ก็เป็นให้ของที่เขารักอันนี้พยายามเชีย่ยเห็นว่าไอตัวสักยะทิฐินันเป็นเหตุแห่งการขัดแยง้ง <c oughs> นี่แหละทำไมกิเลส ต, ตัวนี้โสดาปฏิมาจึงต้องละเป็นด่านแรกเพราะมันรุนแรงคนเป็นประโสดาบันแล้วทำไมจึงไม่ขัดแยง้งเพราะมันละตัวนี้ได้ คนที่ปรารถนาจะบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันละได้ก่อนแล้วครับด้วยวิปัสสนาญาณเบื้องต้นแต่บางคนบอกโอ้โห oh, เนี่ยกําลังจะปฏิบัติเป็นเพื่อจะปฏิบัติแบบบรรลุธรรมแต่ไอ้พวกนี้ยังหนานแน่นอยู่มันไม่รู้ทางครับมันเป็นไปไม่ได้เลยในชีวิตจริงคุณยังถอนตัวนี้ไม่ได้มันไม่ใช่ไปละทีเดียวพัวที่อรหัตโสดาปัิมาคนะครับมันเริ่มละได้แล้วตั้งแต่ไหน ตั้งแต่กุศลนจิตที่มันมีปัญญานําที่เห็นความจริงของชีวิตภาษาพระเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิมันเห็นถูกต้องแล้วมันเริ่มละได้ตั้งแต่ตัวนี้ไอ้ความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยจะเรียกนามรูปปริเคทะยานก็ได้จะเรียกทิฏฐิวิสุทธิก็ได้คือมันเห็นถูกต้องแล้วเห็นรูปเป็นรูปเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นสัญญาเป็นสัญญาเห็นสังขารเป็นสังขารเห็นวิญญาณเป็นวิญญาณคือ เห็นเห็นกายเป็นกายมันเห็นกายเป็นกายไม่ใช่เห็นกายไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นอัตตาตัวตนเห็นกายว่างามเห็นกายว่าเที่ยงเห็นกายว่าสุขเห็นกายว่าอัตตาตัวตนอันนี้เขาเรียกไม่ได้เห็นกายเป็นกายแต่เห็นกายไพ่ไปเห็นเป็นความเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเขาจะยางทิฏฐิมันไม่สมบูรณ์เพราะไอ้ทิฏฐิที่สมบูรณ์ตัวนี้เขาเรียกสัมมาทิฏฐิ เห็นเวทนาเป็นเวทนาแต่เราไม่ได้เห <Huh? S 1> ็นเวทนาเป็นเวทนานะครับเห็นเวทนาว่าเป็นเราใช่ไหมเห็นสัญญาเป็นสัญญาครับเห็นจิตเป็นจิตนะเห็นธรรมะเป็นธรรมะคือมันเห็นมันเห็นตรงไปตรงมาแค่นี้แหละครับยากไหมไอ้ตัณหามนตทิที่เนี่ยมันทำให้เห็นกายเป็นเรา เห็นกายเป็นสัตว์เห็นกายเป็นบุคคลเห็นกายเป็นหญิงเป็นชายเห็นเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาใช่ไหมเออเป็นแบบนี้นะไอ้ตัณหาวันอาที่ย์เห็นไปเห็นอย่างนี้จริงๆมันไม่ได้เห็นด้วยความเป็นกระแสชีวิตโดยความเป็นกันฮะมันเห็นเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลหมดเลยนะครับฉะนั้นมันติดอะไรบัดสมมุติอย่างหนาแน่นอย่างเหนียวแน่นอย่างรุนแรงขัดแย้งไหมขัดแย้ง บางทีมันไม่ได้อยู่กับใครมันก็ขัดแย้งกับอะไรรู้ไหมเบื่ออากาศจริงโว้ยเบื่อฝุ่นเครียดมันมันเครียดกับสิ่งแวดล้อมไปหมดเลยครับสักยะทิถีเนี่ยอยู่ที่ไหนายากอยู่ที่ไหนายากเพราะมันมีเราอะ แล้วมีของของเราเอยูเรานี่เขาเรียกอะภาษาบา้านเขาเรียกอัตตาของของเราเรียกว่าอะไรอัตตนิยะอัตตาอัตตนิยะใช่ไหมคลับถ้าหลวงพ่อพุทธทาสบอกมีตัวกูของกูท่านหลวงพ่อพุทธทาสบอกมีตัวกูของกูใช่ไหมครับเราจะรอดกันไหมในขนาดร อ, อดไม่รอด ต้องรอดใท้ไแต่ทีนี้พอบอกมันไม่มีเรากูก็ไม่ทำอะไรเลยเพราะมันมันอย่างนี้ก็สุดตรงเอนะครับมันจะมีสุดตรงแบบยึดกับสุดตรงแบบปล่อยป่าะเลยเห็นไหมมันไม่ันไม่ตรงครับเออมันอะไรก็ไม่ใช่ของเราบ้านก็ไม่ใช่ของเรากดก็ไม่ใช่ของเราอะไรปล่อยทิ้งมันไปช่างหัวมันไม่ต้องกวาดไม่ต้องเก็บไม่ต้องซักไม่ต้องล้าง ผมก็ไม่ใช่ของเราปล่อยป่าละเลยไปเลยเลยกลายเป็นอัดตะกีรามาถานุโยคสุดตรงนี้เห็นไหมมันทิ้งก็ทิ้งโดยทิฏฐิยึดก็ไปยึดโดยทิฏฐิมันเลยสุดตรงทั้งสองทางเลยเช่นเห็นว่าเป็นของเราก็เป็นเห็นวิมิขลสัพพติกาทิฏฐิเราก็มีใช่ไหมผมมีผมของเราอะไรมันยึ ด, ยดเรายึด มันมีของเราหมดเลยแต่เนี้ยมันยึดว่ามีนะมีอยู่จริงนะเราก็มีอยู่จริงลูกก็มีอยู่จริงเมียก็มีอยู่จริงสามีภรรยาทราบทั้งหลายมีจริงหมดเลยมันยึดจริงๆเลยนะเนี่มีอยู่ใช่ไหมไอ้นี่กลุ่มว่ามีสภัตติกาทิเตเห็นว่ามันมีมีหมดแหละยึดหมดเลยส่วนกลุ่มนาติกาทิเตเห็นว่าไม่มีลูกก็ไม่มีทราบก็มีสามีไม่มีมันไม่มีเราเนี่ยพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มี พนี้ก็มีมีพบหน้าก็มีมีบุญบาปไม่มีมันไม่มีหมดเลยตอนนี้ยเนี่ยอันนี้สุดตรงเห็นไหมพอมันไปยึดว่ามีมันก็ไปมีซะจนเต็มหมดเลยยึดวอกมันไม่มีก็ปฏิเสธหมดเลยมันมีแค่ดินน้ำไฟลมแค่นั้นะตายก็สูญหายไม่มีอจริงหรอกไม่มีพอ่อแม่จริงไม่มีบุตรภรรยาจริงไม่มีมันก็เลยไม่มีไปอีกเห็นไหมมันก็เลยเห็นไหมสุดตรงหมดเลยเนี่ยสัพพติกะก็สุดตรงนติกะก็สุดตรง ก็คือสักกายทิฏฐิอยู่เดียวแต่มันผันตัวมาเป็นสัพพติกากับนิติกาทิฏฐิอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเห็นว่าเที่ยงเครดิสต์สตตาทิฏฐิตายแล้วมีอัตตาตัวตนเนี่ยมีอยู่มันล่องลอยไปอีกกลุ่มหนึ่งไปว่าอุเฉตทิฏฐิขาดศูนย์เลยเนี่ยก็สุดตรงอีกดูที่เนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกกาสมาสุขาลิกานุโยกติดในกามอกีก อีกกลุ่มนึ่งอันนี้อันนี้วัตถุนิยมนะไอนนการบรรสุกการนโยกเนะี่ยอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอัตตะกิรัสมาฐานนิยโยกอันนี้พวกจิตแต่นิยมไม่เอาเลยไม่สนใจร่างกายเลยเอาจิตใจอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับมันเลยไม่ได้มัชฌิ ม, มาปฏิปทามันไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาจริงๆครับนี่ในโลกใบนี้มันเป็นแบบนี้มันมาจากไอสัจยะนี่แหละความยึดว่ามีตัวมีตนนี่แหละ มันก็พันพัฒนาขึ้นมากลายเป็นทิฏฐิมากมายไก่กองเหลือเกินน่ากลัวมากเนี่ยพระสูตรเนี้ยท่านต้องการเจาะตรงนี้มันถึงมีรสหวานหอมปานไปดุดดังขนมหวานหรือเหมือนปานดังน้ําพึ่งเห็นไหมพอได้ปัญญาขึ้นมาแล้วมันอร่อยไหมมันมีรสชาติใช่ไหมครับโอ้อตอ่อยังได้แปลคําว่าปะปันเลยปะปันแปลวพิสดารแปลกว้างขวางปะปันจานนี้นะ ปรับปัญจไมันน่าจะแปลว่าห้าแต่ในที่นี้แปลว่ากว้างขวางอะไรกว้างขวางมันปรุงแต่งมันผันพิสดารมันฟ้ามเฟือพิสดารปรุงแต่งบตลอดแล้วมันคิดผันพิสดารใบกายจนเป็นเป็นตัวเป็นตนได้มันไม่ได้คิดตรงไปตรงมานะฮะถ้าเห็นรูปเป็นรูปเสียเนี่ย เห็นเวทนาเป็นเวทนาไม่ต้องไปผันวิสัยดานมันชัดเลยเนะ่ยเราไปโหยวนหลูไจนคือเรื่องมันเยอะไอ้พวกมีตานามันนั่ที่ดีเขาเรียกคนเรื่องเยอะมันไม่เรื่องแค่เนี้ยมันโอ้โหมันยุ่งผันปรุงแต่งกลายเป็นโอ้โหเรานี่ขนาดนี้เลยมันมันเหมือนปัญญาเลยนี่ปรุงแต่งเรื่องเยอะมากคืออย่างนี้ บางทีนะบางทีคาที่มันชมเราโอ้โหหน้าตาน่ารักยังว่าโอ้โหมันไปปงนันไปผันนะมันบอกว่ารักเราคำเดียวเนี่ยโอ้โหมันผันบ้าไปเลยครับเดีนบอกกูเกลียดมึงมันก็ไปผันเนี่ยมันเลยเลยทองไปหมดเลยมันเป็นแบบนี้ ลองคิดดูที่ว่าไปเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันในหนังมันเป็นเราอยู่ไหมครับแล้วมันยังไปเห็นเป็นหญิงเป็นชายเป็นอัตตาตัวตนเห็นว่างามเห็นว่าเที่ยงเห็อู้มันเห็นว่าอะไรเยอะเห็นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นยศอู้มันมันมันผันเยอะมากมันซับซ้อนเนี่ยเขาเรียกว่างขวางมันพิสดารมากจริงจนจนเลอะเทอะจนเลอะเทอะ อย่าเอายอดมาใส่มันนี่เนี่ยใส่ปุ๊บมันมันมันเหมือนมันเป็นผมขําเลยนะมันมันมันอยู่ดีดีนี่แหละอย่าเอาตราอะไรไปประทับมันนะแม้แต่ยามนะครับโอ้โหมันเดินใหญ่เลยอึดอัดอึดอัดไปมันมันมันนึกว่ามันเป็นจริงจริงตาไอจราจอลเหมือนกันมันเป่าปิดปิดปิดปิดนึกว่ามันเป็นจริงครับ โอ้โหมันมันเหนื่อยเลยนะพอใส่ตึ่มเข้าไปเนี่ยพอใส่ยี่ห้อเข้าไปเนี่ยมันติดสมุดมันมันติดมากๆเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยขนาดมันมันแบกแบกมันติดสมมุติมาเดินกลับบ้านมายังสําคัญว่าเป็นอยู่มานนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยเฮ้ยในผลมาแล้วมันมา พอมีใครไปเรียกมันเนี่ยแบบไม่เรียกมันในพลนยมันเครืองเลยมันเครื่องเลยนะเะน้นเวลาเวลามันติดสมมุติอย่างนั้นเน่ยเวลามันเกษียณอายุมันสุดเลยครับมันสุดเลยเอันนี้ยการไปเป็นสามีภรรยากันใช่ไหมพอบอกเลิกกันมันสุดทั้งคตรเลยสุดเลยหมดฐานะนั่นแล้วโอ้โหสุดมันติดอย่างนั้นเหนียวแน่นเลยติดอย่างเหนียวเนี่ย ฮะ <g> มันเป็นอย่างนี้จริงๆสุดเลยครับเราลองลองพ่อโทรมาบอกเลิกเป็นพ่อเป็นโอ้สุดสุดใช่ไหมเลิกกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วหยุดการเป็นพ่อเป็นลูกกันว่ากันโอ้โหเครียดกินแต่เป็นก็น <sm o> เครียดมันไงตา ย, ตายก็จะเล่าให้ฟังนะครับเอานี้เรื่องเรื่องพระดีกเอ๋ พระเนี่ยออท่านจะได้เป็นสมเด็จแต่ไม่บอกนะครับว่าเป็นใครท่านพ อ, พอผมผมรู้จักท่านท่านจะได้เป็นสมเด็จใช่ไหมครับทีนี้มันไปเกิดผิดพลาดตอนที่ท่านไปเซน็นไปเซ็นแล้วเนี่ยไอ้มันไปเกี่ยวข้องกับข้างบนขึ้นมาลายเซนของท่านเนี่ไปเซ็นเรื่องการทำเหรียญทำอะไรนี่แหละ เอาตายเลยแต่นี้แต่นี้พระเถระซึ่งเป็นสมเด็จก็เรียกตอนนั้นท่านเป็นรองอยู่ใช่ไหมครับก็เรียกไปก็ไปถามบอกว่าเอ้าแล้วท่านไปเซ็นกับเขาบ่าเนี่ยครับเอ้ายุ่งและตายหาแล้วประมานช่วยท่านไม่ได้แล้วพอบ่าวุดมาตั้งแต่นั้นเลยครับแต่นี้ป่วยมาเลยครับเนี่เพราะจะไม่ได้เป็นสมเด็จนี่นิพพานนะครับ สุดแล้วก็ป่วยตลอดมาเลยครับคดีก็นั่นไปนั่นมาเพอเอิญก็มีลูกเสดลูกหาก็าเขาก็เอาคนอื่นแทนไปตัวเองก็เลยรอดแต่งตั้งหลายปีนะครับอาค่อยดีขึ้นมาแต่ก็ป่วยมาตั้งแต่นั้นแหละตอมตอมทีนี้มีอยู่คราวหนึ่งก็คือก็มีการมีการเนี่ยมีการนั่นขึ้นมาก็มีคําสั่งแต่งตั้ง ได้สมเด็จหลายปีนะั่นถึงได้ครับพอรู้ว่าได้สมเด็จลุกขึ้นได้เลยครับนี่ป่วยมาหลายปีลุกขึ้นมาเออมีอิทธิพลขนาดนั้นนะครับเนี่ยนี่ศักยะทิฐิอะไรอย่างมันมีพลังขึ้นมาแล้วโอ้กูไม่ธรรมดาแลวเว้ยกูกูขึ้นเป็นสมเด็จแลดวมันมันพวดขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาเลยแข็งแรงขึ้นมาไปรับปัดรับอะไรได้นี่ขนาดนี้ครับ อันนี้ไม่ใช่พูดตแต่พูดให้เป็นกรณีศึกษาว่าทุกคนที่ยังมีศักยาิทิฐิไม่เว้นแม้กระทั่งนักปวยป่วยกก่าวไปยายกับคาราวะครับ น, นี่แหละมันมันมันเผารนมันมันครอบงำพวกเราแบบนี้เศักยาติทิฐิเนี่ยมันมันขนาดนั้นเลยมันเกาะแข่งเกาะขาล็อกสุดเลย ปัญญาไม่ดีจริงๆเอาตัวไม่รอดโดนสักฤตเพราะนี้มันเจ็ดกระชากเราไปในรลกนีไอ้พวสะกฤติถิเพราะมันคําว่ามีเราแค่นี้เราเป็นเรื่องยุ่งมากในโลกใบนี้แค่เราของของเราแค่นี้ยุ่งมาก <c oughs> อาต่ น, นี้สันมันมีคําว่าปรปัญจะธรรมเนอ้เอ คำว่าถ้านํามาใช้เป็นศัพท์ทางวิชาการในพุทธศาสนาก็เรียกปปัญญาธรรมนะปปัญญาใส่คําว่าธรรมะเข้าไปปปัญญาธรรมเป็นชื่อรวมที่ใช้เรียกกลุ่มกิเลสสามตัวใช่ไหมตัณหามานาทุทิฐิหมายถึงทำเครื่องเนื่นช้าบางทีก็กิเลสเป็นเครื่องเนื่นช้าปัปัญญาธรรมเนี่ยถ้า ถ้าไปเจอในพระไตรปิฎกเจอในคำสอนโดยทั่วๆไปท่านจะเรียกปัปปัญจะธรรมนี่เข้าใจดันดีทำเครื่องเนื่นช้าเขาแปลกันแบบนี้นะเนื่นช้าในสังสารวัฏทำให้จมอยู่บางทีถ้าสำนวนของหลวงพ่อประยุทธ์ท่านจะแปลคำว่ากิเลสตัวปั่นตัวปั่นปั่นเรื่องให้วุ่นวายปั่นใจให้ก้มปั่นใจให้ทุกข์ปั่นเงี้ย ท่านจะบอกไอ้กิเลสตัวปั่นเออแปลไปแ ป, แ ป, แปมาก็เขาท่าทีเงนคือว่ายัางไงมันก็ถูกหมดไอ้ตัวพิสดารผันพิสดารเนี่ยมันตกแต่งพิสดารส่วนคําว่าสัญญาเนี่ยมีความหมายหลายอย่างถ้าสัญญาที่มาจากภาษาบาลีประกอบไปได้วยคําว่าสังกับคำว่ายาเนี่ยอปัจจัยอาการันสําเร็จรูปเป็นสัญญาภาษาไทยนํามาใช้ในรูปคําว่าสัญญาเนี่ยในคำว่าสังก็แปลว่าพร้อม แป่ต่อเนื่องแปลว่าติดต่อสัญญาในความหมายประชุมก็ได้อย่างคําว่ายาก็แปลว่ารู้สัญญาโอ้มีความหมายเยอะเลยเช่นสัญญาสัญชาติสัญช า, า ต, ชาาติติโค อ, อุโสเป็นตัวโอ้มีเยอะมากนา ม, มังสัญญานามก็คือหมายถึงตัวเจตสิกกลุ่มหนึ่งนี่แหละทีนี้ สัญญาบางทีแปลว่าจิตก็ได้นะเอจิตแปลว่าสัญญากันเองยกตัวอย่างเช่นสัญญาดับหมายถึงจิตดับนะครับสัญญาในความหมายนั้นนะครับสัญญาจิตหมายถึงจิตก็ได้บางทีไปแปลว่าสัญญาดับสัญญาดับเนี่ยแปลว่าจิตดับนะสัญญาหมายถึงจิตอย่างเช่นสัญญาเวทยิสตมิโรตเนี่ยอันนั้นหมายถึงจิตนะครับเท่นั้นนะเนวะสัญญานาสัญญายะตนะเนี่ยเห็นไหม เป็นชื่องจิตนะครับไอ้สัญญาลักษณะนั้นเนะีแล้วเราก็นึกเอ๊ะทำไมสัญญามีาหลายความหมายสัญญาเป็นชื่อของกิเลสสัญญาก็ได้กิเลสสัญญาส่วนสัญญาในความหมายปะปันจะทำหมาย ท, ที่เป็นเครื่องเนื่นช้าว่าจะคําว่าปะปันจะสัญญาติ่ที่แปลว่าสัญญาอันประกอบด้วยเครื่องเนื่นช้า สัญญาอันประกอบด้วยเครื่องเนื่นช้าคือตันหาสัญญาอันประกอบด้วยเครื่องเนื่นช้าคือมานะสัญญาอันประกอบด้วยเครื่องเนื่นช้าคือทิฏฐิเนี่ยก็แปลว่าสัญญาประกอบกันกับทิฏฐณามานะทิฏฐิเคยเรียกว่าปปันจะสัญญาปปันจะสัญญาแปลว่าเครื่องเนื่นช้านั่นแหละที่พระองค์ตรัสเป็นชื่อว่าสัญญาเนาะสัญญาในความหมายว่าทิฏฐิก็มี สัญญาติสัญญาสมุทฐานะปีทิฏฐิทิฏฐิอันเป็นอันเกิดแต่สัญญาทิฏฐิอันเกิดแต่สัญญาความจำหมายในรูปเรียกว่าอะไรรูปประสัญญาจำหมายในเสียงก็เรียกว่าสัทธาสัญญาเป็นตัวเรานี่ยเนี่ยทีนี้สัญญาก็เป็นหนึ่งในขันด้วยนะสัญญาขันในขันห้า รูปสัญญาสัทธาสัญญาคันธาสัญญาราษาสัญญาผพระธรรมสัญญาลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าสัญญาหกทีนี้สัญญามีสองระดับสัญญาขั้นต้นกับสัญญาที่มันเสริมหรือซ้อนเสริมขึ้นมาสัญญาขั้นต้นคืออะไรความรู้ลักษณะตามของสภาวะเช่น สีเขียวสีขาวแดงแข็งอ่อนรสเปรี้ยวรสหวานรูปกลมยาวสั้นเนี่ยเรียกว่าปะปัญจทวาริกาสัญญาก็เป็นสัญญาที่เป็นไปทางปัญจทวารจำในเสียงในในเสียงในกลิ่นในรสในพอภัพัญญาลักษณะอย่างเงี้ยเปนเป็นมั น, เ ป, นเป็นสัญญาแบบตรงไปตรงมาไม่มีอะไรมาซ้อนเสริมจำอะไรก็ตรงไปตรงมาเลยใช่ไม จำในสีในเสียงในกลิ่นเนี่ยมันจะจำถ้าในในวิถีอะตัวจากคุญญาณานโซตาวิญญาณเป็นต้นอนี่มันก็จำตรงๆนี่แหละสัญญาในนั้นเนะ่ยจำสีจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผดผ้าจำเนี่ยมันไม่มีอะไรมาซ้อนเสริมไม่มีอะไรมาปรุงแต่งไม่มีอะไรมาย้อมแต่พอมาเป็นสัญญาซ้อนเสริมเนี่ยเอาแล้วแต่นี้ยมันเหมือนอย่างงี้นะว่าอย่างที่เมื่อเมื่อเช้าที่พูดเรื่องอะไรเนะี่ยมา ม้าเนี่ยเอาเอาแว่นไปใส่มันเอาเอาแว่นแว่นสีแว่นสีเขียวเขียวไปใส่มันแล้วมันก็กินหญ้าแห้งมันก็เนี่ยนี่มันซ้อนเสริมขึ้นมาอย่าเงี้ยลักษณะเวลาเหมือนการอนสัญญาซ้อนเสริมมันหมายถึงว่าการคิดปรุงแต่งไปตามความเข้าใจเช่นสวยน่าเกลียดหน้าช่างเนีหรือว่าเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัว ต, วตวแล้วมันซ้อนขึ้นมาแล้ว มันเป็นเช่นสีมันจําในสีปุ๊บมันธรรมดาแต Peace. Peace. Um. ่พอสีนี้สวยเสริมขึ้นมาแล้วกิเลสก็มาแทรกแล้วเป็นกิเลสสัญญาเสียงนี้พ้อเสียงนี้ไม่สวยรูปนี้น่าเกลียดไม่น่าเกลียดไอ้นี้ดีหรือไม่ดีมันซ้อนเสริมเข้ามาแล้วตอนนี้เห็นไหมไอ้ก็ซ้อนเสริมอย่างนี้ก็กิเลสสัญญาเรียกกระปั่นจะสัญญามันตามมามันซ้อนเสริมมาแบบนี้แต่ไอ้จำใหม่ๆมันจําแบบตรงไปตรงมานี่แหละ แต่พอมันตรงไปตรงมาปุ๊บมันไปปรุงแต่งความรู้สึกเข้าไปขึ้นมาอยู่โหตามมาเยอะเลยเดีน๋นี้เขาเรียกว่าซ้อนเสริมนทีนี้ไอสัญญามันก็เลยแบ่งเป็นสองส่วนเป็นกิเลสสัญญากับตัวกุศลสัญญาไอที่มันปีปัญหาคือกิเลสสัญญาไอกิเลสสัญญามันก็รวมกับตัณหามานติฐีนี่แหละมันเลยซ้อนเสริมเป็นเรื่องเลยเี๋นี้ ไปเห็นได้ว่าสวยเป็นเห็นด้วยมันไม่สวยไปเห็นว่าชอบใจไม่ชอบเพรามันไปหมดเลยนะ่ยแต่เนี้ยแล้วมันไปเห็นเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟมันไปเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรโอ้โหมันจําพอมันจําอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ซ้อนเสริมไปแล้วดีหรือไม่ดีชอบใจไม่ชอบใจเป็นพ่อแม่ปู่ตายายยายมันปรุงแต่งไปเพียบเลยเดีนี่นี่กลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมันเป็นสัญญาที่เกิดจากความดีงามแลยแต่เนี้ย มันเกิดจากความรู้ความเข้าใจถูกต้องเป็นกุศลสัญญาบางทีเขาใช้คําว่าวิชาภาคกิจสัญญามันหมายเป็นสัญญาที่ช่วยเสริมให้เจริญปัญญาทําให้กุศลเกิดขึ้นอันนี้ดีตรงเนี้ยมันเป็นไปนในทางที่ดีเลยนะยอะตัวอย่างเช่นว่าอะไรเดียอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภาสัญญาอาทินวาวสัญญาเนี่เป็นพวกนี้กลุ่มสัญญาสิทธ์เนี้ย มันจําหมายมันจะไปในทางละกิเลสไปได้เลยมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีแต่มนุษยสกี่คนมันจะได้กลุ่มสัญญาเหล่าเนี้ยโดยมากมันก็เป็นพวกปะปันจะสัญญานี่แหละทีนี้มันมีจะคําว่าปะปันจะสัญญาสังขารสังขารเป็นนี้แปลว่าส่วนส่วนส่วนปะปันจะสัญญาเนี่ยได้แก่สัญญาที่ประกอบด้วยกิเลสเครื่องเนื่นช้าคือตัณหมามนติฐิอย่ัง ไอ้ตัวกิเลสเครื่องเนิ่นช้านั่นเองท่านกล่าวเชื่อเป็นสัญญาหรือเรียกปรับปันจะสัญญาหมายถึงอาการที่มันคลอเคลียคลอเคลียพวัวพันอยู่กับอารมณ์นั้นหรือว่าคลอเคลียคิดปรุงแต่งไปต่างๆด้วยอํานาจของตัณหามานาทิฐิเห็นไหมมันมันคลอเคลียในรมนั้นเลยนะเช่น <c oughs> ถ้ามันคลอเคลียด้วยความชอบเนี่ยอมันมันก็จะคลอเคลียปรุงแต่ง ตัณหามาทนะําหน้าที่มานะทิถีมาทำแนละ้วบางทีมันคอเคลียไมาด้วยความผักออกไม่ชอบอะไรก็แล้วทิถีมันล็อกแล้วไม่เอาไม่เอาเนี่ยมันมันก็คอเคลียในอามนั้นเหมือนกันมันปฏิเสธผักออกไปแล้วคอเคลียโดยการยกตนชูตนเนี่ยกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าคอเคลียโพพันอยู่กัอบอารมณ์นั้นคิดปรุงแต่งไปต่างๆด้วยอํานาจด้วยแรงของอะไรด้วยแรงของตัณหาด้วยแรงของมานะด้วยแรงของทิถิมันผักดัน หรือเพื่อจะสนองตำหนามนตรีหรือปรุงแต่งในแง่ที่จะเป็นของฉันเป็นของเรานี่ยมันปรุงแต่งแล้วให้ตัวฉันเป็นนั่นให้เป็นนี่หรือเป็นไปตามความเห็นของฉันเนี่ยออกมาในรูปร่างต่างๆมากมายประดานมันก็ทำให้เกิดปะปนแยดสัญญาในแง่ต่างๆในแง่ต่างๆในส่วนอนแง่หรือส่วนนี่แหละมันเลยออกมาเป็นปะปนแยดสัญญาสังขาร ในแง่ต่างๆในส่วนต่างๆที่เราจะได้เราจะเป็นเราจะเอาแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันเลยก็แตกแขนงไปเป็นส่วนๆๆๆๆไปเห็นไหมยังมากมายพิสดารมากนี่คือตัญหามณทิทิที่ท่านยิ้มถามนี่เป็นเป็นไปลักษณะงนี้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของปปัญจะสัญญาใช่ไหม อันนี้คือท่านพระมาหากระจายนะท่านขยายจริงๆท่านขยายพิสดารกว่านี้อันนี้ความสามารถของอาจารย์ยังไม่ถึงเลยขยายได้น้อยทีนี้มาพูดถึงเรื่องอายตนะแต่นี้เพราะท่านท่านพอท่านพูดเรื่องปปันจะสัญญาสาขาเสร็จแล้วก็ท่านก็พูดเรื่องอายตนะเห็นไหมล่ะ แม้ถ้าแปลยังไงอยายตนะเนี่ยถ้าแปลแบบแปลว่าไอตัวเชื่อมต่อใช่ไหมไอตัวเชื่อมต่อจากกับโลกภายนอกอแต่คุยอย่างภาษาอย่างเราเเนี่ยแต่ถ้าตามวิชาการก็แปลว่าทำที่มีสภาพคล้ายกับว่ามีความพยายามเพื่อยังผลของตัวนี้เกิดขึ้นทำที่มันเขาเรียกว่าทำที่มีสภาพคล้ายๆกันว่ามีความพยายามที่ยังผลของตัวนี้เกิดขึ้นก็แปลอย่างเนี้ยเช่น จักขูจักขูาา่菩萨หรือจักขายัตนาคือตาเนี่ยกับรูปเนี่ยเป็นเหตุให้การเห็นเกิดขึ้นการเห็นจัดว่าเป็นผลอย่างนี้เป็นต้นมันเหมือนว่ามันพยายามอะพยายามเพื่อจะให้ผลคือการเห็นเกิดขึ้นเขาเรียกอายตนะครับมันจึงเรียกว่าธรรมที่มีสภาพคล้ายกับว่ามีความพยายามเพื่อจะยังผลของตอนี้เกิดขึ้นแปลงี้งงไหมแปลงี้ หร่เป็นตัวเชื่อมต่ออย่างเงี้ยใช่ไหมตัวเชื่อมต่ออาญตนะทำที่ทำซึ่งจิตและเจตสิกให้กว้างขวางเจริญขึ้นอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ท่านเอาไหมความหมายนี้ทำให้จิตและเจตสิกกว้างขวางเจริญขึ้นเจริญคือมันทําให้เกิดมากขึ้นเพราะจากการเห็นเนี่ยจากจากขรุษศาสตรกับโลภรมพอกระทบกันปุ๊บเกิดจากขุณ ญ, ญาณ พอจะคุญาณปุ๊บโอ้โหแต่เนี้ยความคิดมากมายเลยจิตเกิดมากมายเลยครับจากการเห็นเนี้ยมันจะเป็นว่าโอ้โหมันทําให้จิตเยสิกเกิดกว้างขวางมากขึ้นเลยทตเนี้ยอีกความหมายหนึ่งหมายถึงที่สภาพที่มันต่อกันระหว่างจิตกับอารมณ์เป็นอายตนะอย่างนี้เป็นต้น จากก็มีอายัธนาภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายธนาภายนอกคือรูปเสียงกินรสโวดพภภัพปะจากขายันะนาหมายถึงแดนที่ติดต่อกันนะอาก็หมายถึงศาสตร์ที่รับรู้รูปต่างๆที่อยู่ในรักในตาเนี่ยจักรวศาสตร์มันเป็นตัวแดนแดนติดต่อนะตัวเชื่อมต่อกันไม่ต้องขยายแล้วมั้งในี้ โอ้โหถขยายเยอะเลยเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วไงขยายว่าจากตาเชื่อมต่อกับสีก็เกิดจากขวญวิญญาณหูเชื่อมต่อกับเสียงก็เลยเกิดโสตวิญญาณจมูกเชื่อมต่อกับกลิ่นก็เกิดคานาวิญญาณลิ้นเชื่อมต่อกับรสก็เกิดชิวหาวิญญาณกายเชื่อมต่อกับโภชพาก็เกิดกายยวิญญาณใจเชื่อมต่อกับธรรมณมก็เกิดมโนวิญญาณเนาะอย่างนี้เป็นต้น ในความหมายพวกนี้คําว่าแง่ต่างๆหรือส่วนต่างๆเนี่ยแห่งปะปันจะสัญญาก็คือย่อมครอบงำบุรุษปุริสังปะปันจะสัญญาสังขาเป็นต้นบอกว่าส่วนแห่งกิเลสที่เป็นเครื่องเนื่นช้าทั้งหลายย่อมครอบงำบุรุษที่ไม่ได้กําหนดรู้นั้นบุคคลใดไม่กําหนดรู้ด้วยยาตาปริญญาเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะด้วยปัญญาที่วิจัยแยกแยะ ย่อมเป็นไปแก่บุรุษนั้นในข้อนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเป็นธรรมชาติที่ร่วมเกิดร่วมกับจกักูุญานพึ่งเห็นวิตกในจิตที่มีวิตกทั้งหลายในลำดับของจกักรุญานเป็นต้นเหล่านี้หมายกว่าเวลามันเกิดการเห็นขึ้นมาพอเห็นขึ้นมาปุ๊บพอผัตะกระทบมีการประชุมกันของตาสีจกักรุญานประชุมกันเป็นภาษาพอผัสสเกิดปุ๊บเวทนา เวทนาสัญญาพอสัญญาเกิดขึ้นตามมาด้วยอะไร<ก>ชายวิตกเป็นต้นมากมายเลยแตเนี้ยไอตัวกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเวทนาสาวเวทนาสัญญาวิตกเนี่ยท่านพระมหากัจยา น, นะท่านแสดงว่าไอกิเลสที่มันตามมาปรุงแต่งทั้งหลายนี่แหละเป็นเครื่องเนื่นช้าเป็นเครื่องเนื่นช้าทั้งอดีตอน า, นาคตอะไรก็ว่าไปไปตามลาดับ ท่านก็ให้วินิจัยอย่างที่ได้วิจัยมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเาเรียกว่าบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดฉลาดในการรู้จักจักขู่รู้จักสีรู้จักจักขูวิญญาณรู้จักจักขูสัมผัสรู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักวิตกรู้จักสภาวะธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นจากการเห็นทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น พอรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลอัตตาตัวตนใดๆไปเห็นด้วยความสภาวะธรรมต่างๆนี่แ ล, แล้วก็เลยสัตกัดกั้นตันหามันนะที่ไม่ครอบงําบุรุษหรือบัณฑิตนั่นได้เป็นต้นนีน่วัตถุประสงค์คืออย่างนี้เ <ๆ S 1> ขาเรียกฉลาดในถ้าฉลาดอนยตนาฉลาดในปัจญาการฉลาดในสิ่งที่เป็นเหตุและไม่ใช่เหตุเป็นต้นอย่างเงี้ย <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ทีนี้เมื่อฉลาดแล้วเนี่ยนะแต่บุคคลเนี่ยไอ้สัญญาทั้งหลายเนี่ยถ้ามันไม่ครอบงํา ถ้าไม่ครอบงามก็เป็นผู้ปราศจากงามถ้ามันครอบงามเบ็เสร็จอนุสัยมันตามมาสิไอตัวตัวที่บอกว่าเมื่อเช่นนี้จะสามารถที่จะดับถ้าไปเข้าใจความเป็นจริงอย่างนี้ปุ๊บจะดับไอตัวอนุสัยได้การมราคานุสัยความกำหนัดในการปฏิคานอนุสัยความพยาบาททิฏฐานุสัยก็คือความเห็นผิดวิกิติฉาของความลังเลสงสัยมานะ่ะใส่ความถือตน ภาะวะราคานุสัยก็ติดใจในภพอวิชานุสยัยคือความไม่รู้ท่านก็เลยกล่าวบอกว่าถ้ารู้หรือเห็นตามความเป็นจริงก็จะสามารถละอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พอจะชัดไหมมันยากลงเรื่อยนะนี่ยที่แรกว่าจะพูดเรื่องสกปรปัญหาสูตรแต่มันมีสองสูตรเนี่ยที่พูดเรื่องประพัญญธนธ์จะทำ ในสกาบปัญหาสูตรก็พูดเรื่องตัวนี้ถ้าในปรับในสกปัญหาสูตรก็จะพูดเรื่องการขัดแย้งกันมันมาจากอะไรนะมันจะมาพูดเรื่องขัดแยง้งคือป ใ, ในพระสูตรอันนี้เริ่มมองเห็นใช่ไหมก็อันเดียวกันถ้าเข้าใจตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวตรงนี้สรุปตรงนี้ เดี๋ยสรุปในสักการบรหาสูตรให้ดูนิดนึงแล้วจะรู้ว่าเออเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเวลาท่านไปอ่านในพระสูตรแต่ให้ดูอย่างย่อๆนิดหนึ่งจะรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้เหรียนปัปัญจะสัญญาแล้วในพระสูตรสูตรนี้แล้วรมาดูตรงนี้เราโอจะได้เข้าใจเนาะอ๋นี่มาแล้ว คืออย่างนี้ในในปัญหา14ข้อในส ก, กัปัญหาสูตรนี้เราจะยากคื อ, อ, อพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ว่า เ, ออเดี๋ยวถ้ามองเรื่องกรรมนิดหนึ่งกรรมคือการฆ่าสัตว์นี่ทำให้อายุน้อยเยอะอายุสั้นเยอะถ้าเว้นจากการฆ่าสัตว์อายุยืนหเบียดเบียนสัตว์ โรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่เบียดเบียนสัตว์ถ้าเป็นคนมักโกรธะผิวผิวพันผิวพันไม่สามคนคนงอนเนี่ยงอนกับขี้โกรธเนี่ยต้องระวังแล้วก็ถ้าไม่โกรธผิวพันงามริษยาสักดาน้อยไม่ริษยา สักดาคือยศอนะนะเป็นยศสงสัยผมเป็นคนลิศยาเข้ามาในดีผมเป็นคนมียศน้อยอยริงผมผมสังเกตสงสัยผมตัวลิศยาเลยทัใช่ไหมแล้วก็ไม่ให้ทานโภคทรัพย์น้อยผมก็คนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเนเนเพราะวิ่ยผม เกิดมาผมเกิดมาเนี่ยโอ้โหผมมาอย่างจนสดๆเกิดในตะกูลนี่ยากจนเนี่ยโอ้โหถ้าเล่าเรื่องประวัติยมพ่อนี่สะดุ้งสะเทือนเนี่ยตั้งแต่แกเกิดในท้องแม่เนี่ยปู่ไล่ออกจากบ้านเลยไล่ย่าออกจากบ้านเลยยังอยู่ในท้องเลยแล้วย่าเป็นคนจังหวัดอื่นด้วยปู่ไปแต่งมาเอามาอยู่ด้วยแล้วไล่แล้วแกก็กลับบ้านไม่ได้คิดดูเนะแล้วก็ต้องไปเป็นลูกน้องเขา พอแกอยู่ในท้องแม่แม่ต้องเป็นลูกจ้างเขาเลยอ่ะนี่จนจริงนะครับนี่ตระกูลผมฮะเป็นตระกูลที่จนขนาดเลยอะนี่แหละไม่ให้ทานนะอืมไม่ให้ทานนะแต่พอผมมาเกิดแล้วก็ดีขึ้นนิดหนึ่งเออทีเนี้ยกรรมเพราะการให้ทานก็มีพอค้ามากเลยกรรมคือการไม่อ่อนน้อม ไม่อ่อนเนาะตระกูลต่ำเกิดท่านเกิดตระกูลต่ำไหมตระกูลต่ำไหมก็ถือว่าไม่ค่อนข้างต่ำแต่ไม่สุดถ้าต่ำสุดนี่ก็คือประเภทที่ขอทานเลยครับต่ำสุดนี่ใช่ไหมครับอัน น, นี้ยังพอแต่ว่าโอ้โหก็จัดว่าค่อนข้างต่ำเลยครับ ผมเนี่ยเกิดในตระกูลค่อนข้างต่ําคือมันมันอา จ, จะอ ย, อ, ย อ, ยอยู่ระดับสองเนี่ยมันไม่ถ้าอีกนิดหนึ่งก็โอ้โหไปขนาดนั้นเลยครับบางคนเขาเกิดมาเขาอยู่ในตระกูลสูงจริงๆเนี่ยความไม่อ่อนผมคง ม, มีมานะเยอะนั้นทำลายมันทิ้งนะครับมานะมันทําให้ตระกูลต่ําเกิดในตระกูลต่ําอย่ามีมานะจนอ่อนโยนเนี่ยให้เป็นคนจิตอ่อนโยนนะแล้วก็นอบน้อม เป็นคนนอบน้อมกราบว่าแล้วผมเห็นมาแทบจะทุกคนนึคนเกิดตระกูลสูงเนี่ยเขาเขามักจะอ่อนจริงน้องแต่ถ้าเขาลืมตัวนั้นเราจะเห็นเขากาบกาบกระด้างกระเดืองอย่างเราก็พูดขึ้นเนี่ยต่อไปในอัธภาพถัดไปเขาลําบากมันวูบขึ้นวูบลงตลอดใช่ไหมชีวิตเนี่ยเนี่ยจากการเคยเป็นใหญ่เป็นตัวแล้วก็มาพ่อเราไปเนี่ยกระด้างกระเดือ ทถ้าอ่อนน้อมก็ตะโกนสูงเพราะกรรมคือไม่ชอบซักถามไม่ชอบซักถามบางคนมีทิฏฐิจริงๆเนียไม่เคยอยากถามเลยแค่ทำตัวเหมือนเป็นคนรู้ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่อยากเป็นคนมีปัญญาสามให้ทําแบบนี้ครับไม่สนใจไม่อยากถามเถื่อนแม่ถามไม่สนใจอย่าไปถามเลยครับเจ๊หน้าไม่ต้องไปถาม อยากไ ม, ไม่อยากรู้อะไรกไม่สนใจอยากอ่านอ่านเจอเองคนเองมันมันมันเป็นลักษณะอย่างทิฏฐิตัวนี้จะเป็นคนปัญญาสามแต่คนหนิวข้อมูลความรู้ตลอดอยากรู้อยากรู้ไอ้คนนี้จะก็ใส่ใจว่าเราจะต้องขวนขวายถ้าพระพระไอ้พระลาหุนตื่นขึ้นมาก็ วันนี้ขอให้ได้รับคําสอนจากพระบรมศาสดาเท่ากับทายในมืในกำมือวันนี้จะขอเรียนมันใฝ่ใจทุกวันเลยท่านก็ลงไปว่ากรอบวันนี้ขอให้ได้คาสอนของพุทธเจ้าเท่าทรายในมือของเราก็ทําอย่างนั้นทุกวันเลยท่านก่อนจะไปบินรบายก็ควักก้อนหินมาวันนี้ขอใได้คําสอนเท่าเนี้ยของพพุทธเจ้าเท่ากับเมล็ดหินในมือ แล้วก็วางลงกไปบินบัวก็ไยรูย้ตลอดเดี๋ยวมาเลยเีอยากจะรู้จริงๆอ่ะนี่พูดเรื่องส ก, กัปัญหาสูตรเลยทียนี้ส ก, กัปัญหาสูตรมีปัญหาสิบสี่ข้ออิสามัชริยะความริษยาและความตนีเป็นข้อหนึ่งข้ อ, อสองก็คือ<ม>เรื่องบุคคล น, นั้นเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก ปียาปียะเนี่ยแล้วก็สามก็ฉันทะความพอใจสี่ก็วิตกความตรึกห้าก็ปปัญจะปปัญจธทำมาทำเครื่องเด่นช้าคือตนามนัติทีหกก็สมมนัสความดีใจเจ็ดก็โท ม, มนัสความเสียใจแปก็อุเบกขาความวางเฉย9ก้าก็กายสมาจารความประพฤต ช, ชอบทางกาย สิบก็วจีสมาจารการพู้ชอบทางวาจาสิบเอ็ดปริเยสนาการแสวงหาสิบสองอินเรียสังวรการสำรวมอินทรีสิบสามอเนกาธาตุมีาธาตุเป็นอันมากมีอัธยาศัยหลากหลายสิบสี จ, จันตะนิถาความสำเร็จแท้จริงถ้า ถ้าเขาให้จําสั้นๆก็อีอีก็คืออิจฉามัฉริยะปีก็คือปิยาปียะฉาก็คือฉันทะวิก็คือวิตกาปากก็คือปปัญจะโสกโสมนัสโทกโทมนัสอุก็อุเบขาเนี่ยสมัยก่อนเวลาท่องก็ให้ท่องอักษรย่ออย่างนี้เหมือนท่านพยอมเนี่ยซึ่งอาจารย์ไม่ชอบเลยแต่ว่าบางคนเขาจะให้เขาจาเป็นเทคนิคการจํา ผมเทคนิคผมก็จำไม่ได้ผมจำทั้งหมดเอาเลยผมเป็นคนแบบนั้นอันนี้ก็ว่าไปทีนี้เอาละแต่เนี้ยเท้าสกกะเนี่ยนะครับในปัญหาสิบสี่ข้อปรากฏในสกกะปัญหาสูตรในทีขนิกายมหาวัชนะครับไปเปิดทีนี้เท้าส ก, ก่าเนี่ยถามปัญหาพระเจ้าเพราะว่าเท้าส ก, ก่าพวกท่านไปกันมาแล้วมัง้ง ต้องกิดจกูฏเขาคิดจกูด ต, ตรงนั้นเขาเรียกว่าถ้าช้างนา้าวถ้ำช้างน้าวตอนนั้นพระเจ้าประทับอยู่ที่ถ้านี้แหละอินทสาระที่ภูเขาอินทสาระใช่ไหมแหละประทับอยู่ในดังนั้นแหละเท้าส ก, ก่าเนี่ยพยายามที่จะไปเฝ้าพระเจ้าเนี่ยหลายครั้งมากเพราะรู้ว่าตนเองอีกเกือบวันจะตาย หาจังหวะยังไงก็ไปเฝ้าไม่ได้หาจังหวะยังไงก็ไปเฝ้าไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือไปแล้วก็พระเจ้าเข้าสมาบัติอยู่ก็มีเทพธิดาเทพธิดาอยู่หน้าที่พระพุทธเจ้าประทับว่าคอยเฝ้าอยู่คอยกราบรอยังไงพระพุทธเจ้าเขาไม่ออกจากสมาบัติก็เลยบอกเทวดาเนี่ยบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าออกจากสมาบัติให้กราบทูลด้วยว่าท้าสกามา เฝ้าแล้วก็ับร อ, อยังไงก็ไม่ได้วันที่หนึ่งก็แล้วสองก็แล้วสามก็แล้วสี่ก็แล้วห้าวันสุดท้ายถ้าท่านรู้ว่าท่านจะตายแล้วอยากเห็นเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วมันหาจังหวะไม่ได้ท่านจะเครียดไหมครบเนี่ยโทมานัตเกิดขึ้นกับท้าวสักมากเล ย, ยก็เลยคิดกุบายขึ้นมาก็เลยประชมุมเทพ บริษัททั้งสองประเทศเลยทั้งจาตุมเอามาหมดเลยครับเก็ประชากรมาทั้งหมดทั้งทั้งดาวดึงกับทั้งจาตุมโอ้โหลงมาฟระพุทธเจ้าเต็มเลยครับคิดว่าทำมาขนาดนี้พระุทธเจ้าต้องอนุเคราะห์แล้วก่อนจะพอมาไปเสร็จปุ๊บก็ส่งปัญจาสิกขาคนทานเทพประบุตนำหน้าไปก่อนปัญจาสิกขาคนทานก็แบกพินสีเหลืองเข้าไป ให้ไปให้ไปเพราะว่าวเคยคุ้นเคยกับพุธิย้าวปัญจศิกาคนทันก็เลยไปเล่นดนตรีถวายเป็นพุทธบูชาก็เลยไปร้องเพงลงร้องเ พ, งพลงพรรานากลับไปพารานาเรื่องของตนเองคืออย่างนี้ ไปพูดเรื่องการมาคุณกับพุทธคุณไปภาลนาบอกข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้ามีนามว่าปัญจาสิกาคณทนันเทพระบุตรข้าพเจ้าเนี่ยมีจิตปฏิพักหลงรักหลงรักนางสุริยวัชสาซึ่งเป็นธิดาของพระเจ้าติมพุรุวงอย่างมากรักอย่างมาก คิดถึงโหยหาคำหนึงหาอยู่ตลอดเวลาไม่สางซาประดุดดังพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายน้อมหารักพระนิพพานเชนนั้นแล้วก็พาลนาอย่างเงี้ยภาลนากามาคุณว่าตนเองหลงรักยังไงนางสวยแหวกจสาที่มีขางามมีฐันงามมีอกโอ้โหภาลนาความงดงามถ้าไม่ได้เนี่ยใจจะไม่รู้จะอยู่ยังไงเป็นต้น ก็ภรณนาเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายโหยหาน้อมหาพระพิพันธ์ภาวนาอย่าง น, นี้หนึ่งพอพารานาเสร็จแล้วพระเจ้าเนี่ยสาธุเลยบอกโอ้โหเพลงขับของเธอกับเสียงพินเนี่ยฟังแล้วไพเลาะก็คือที่เห็นมันจริงไงพระเจ้าบอกว่านี่เป็นผู้ที่จริงปัญจสิกขาคนทันเนี่ยเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่บริโภคกรรมหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ย ถามว่าคิดถึงนิพพานกับคิดถึงบุตรภรรยาสามีคิดถึงงานคิดถึงบ้านคิดถึงที่อยู่อาศัยคิดถึงกิจกรรมงานของตนเองกับคิดถึงพระนิพพานอันไหนมันถ้าไม่มีเลยนิพพานมีไหมครับเอาพวกเราเป็นพระเนี่ยคิดอยากจะ น, นิพพานวันละกี่รอ บ, บอรคิดวา่าจะปลูกต้นไม้อยังไงครับ ใช่ไหมไปบิณฑบาตยังไงจะเดินยังไงจะปัดกวาดตรงนั้นยังไงคุยเรื่องนั้นกับใยังไงจะตัดต่อเทพยังไงมีแค่ น, นี้นะเคยคิดว่าจะนิพพานเพราะ ก, การกระทาอย่างนี้การกระทาให้คุณจะต้องนิพพานมึงคิดอย่างนี้ไหมน้อมหานิพพานอย่างนี้น้อมไหมมันน้อมหากามนี่คือตัวแทนของเราปัญจาสิกขาเนี่ยเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่ติดในกามแต่พระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายท่านน้อมนิพพานท่านจะ คือพระอรหันเนี่ยท่านดับกิเลสแล้วท่านก็รอจังหวะเมื่อไหร่จะนิพพานท่านอยากจะได้ขันธปรินิพพานโดยเร็วไม่อยากอยู่นะครับทั้งๆกิเลสนิพพานแล้วนี่แหละท่านอยู่ยังคอยเมื่อไหร่จะได้รับรางวัลเลิศนะโบนัสชิ้นพิเศษคือขันธ น, นิพพานท่านคิดตลอดเวลาเหมือนคนทำงานเสร็จแล้วรอโบนัสชิ้นเอกนะเหมือนข้าราชการเกษียณ รอชิ้นสุดท้ายที่จะต้องได้รับจากรัฐบาลบำนาญบนานาญก้อนโตหรือทำงานบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าทำเสร็จแล้วอีกห้าเดือนเขาถึงจะจ่ายรอใจจดใจจ่อชั้นใดพระทหานทั้งหลายก็ถ้าจะนิพพานวันนี้ชื่นใจทันทีชื่นใจทันทีครับเราก็ใจจดใจจ่อเมื่อไหร่จะมาหาเรานี เมื่อไรบ้านจะเสร็จเมื่อไรรถเลยเมื่อไรเงินเดือนจะออกมันมันคิดอย่างนี้เห็นมไหมมันคนละขั้วกันแล้วพระพุทธเจ้าจึงสาทุกตรงพูดจริงไม่มีมายาสาไถ่แล้วรู้จริงปัญจสิกขะรู้จริงบอกว่าตนเองเนี่ยหมกมุ่นในกามก็จริงเ <laughs> <laughs> ท้าส ก, กาก็รออยู่นี่แหละโอ้ยจะหมดเวลากูอยู่แล้ว ก็เลยกอนกระซิบบอกปัญจสิกขาบอกให้ไปทูนรายงานพุทธเจ้าว่เท้าสกัเพร้อมในบริษัทบริวารสองประเทศมาทำไมไปพูดในเรื่องตัวเองร้องใจที่จะหมดเวลาอยู่แล yeah ้วคืออย่างนี้พุทธเจ้าถ้าหาก ถ้าหากเทศก่อนนั้นท้าส ก, กาจะไม่ได้บรรลุอินทรีย์ไม่แก่ศรัทธาเป็นต้นจะถึงปัญญาไม่แก่กล้าการการเหมือนเหมือนตอนที่พุรธเจ้าไปโปรดไปยุลญยาตเดินทางสองเดือนแต่ละวันเนี่ย อ, อ, อมบาตกาลุทายีพิกขวะเป็น เป็นโฆศกไปประกาศเหาะไปประชาสัมพันธ์ไปบินทบาทด้วยว่าพระพุทธเจ้าเดินมาได้วันนี้สิบสิบหนึ่งโยศสิบหกกิโลเมตรถึงตรงนั้นโอ้โหตื่นเต้นรอวอะไรจะมาแล้วก็เหาะมาฟาพระพุทธเจ้าทําอย่างนี้ทุกวันครับสองเดือนพิกพระพุทธเจ้าทำพิสูจน์สองสองหมื่นมาถึงนี่แล้วถึงนี้แล้วถึงนี่แล้วถึงนี่แล้วตื่นเต้นกันโอ้โหมาใกล้แล้วใกล้แล้ว ทั้งจัดเตรียมทั้งอะไรต่างๆทำอะไรต่างๆรอพระเจ้ากันครับศสัทธาก็แก่กล้าขึ้นความเพียรก็แก่กล้าขึ้นสติและลึกจดจ่อสมาธิก็ตั้งมันม่นเมื่อไรจะเห็นปัญญาวิจัยแยกแยะเราจะทำอะไรถวายเป็นพุทธวิชาโอ้โหนี่มันปรุงแต่งกันอย่างนี้ครับอันนี้เหมือนกันนี่คือพุทธาทิบาย พ, พุทธโยาบายของพระเจ้า ในกรณีการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากกิเลสและกองทุกข์เพราะเท้าส ก, กาัดนี้ติดแน่นมากติดแน่นมากกิเลสวิ จ, จิตมากเพราะเป็นพระเจ้าเป็นดินครับโอ้โหมีนางสนมกำ น, นันตั้งสาสล้านสาสหล้านสาสบห้าล้านคนสามสิบห้าล้านล้านตน มีมีนางสนมสามสิบห้าล้านท่านคิดว่าจะติดไหมหล่ะอยู่ในเขาเรียกว่าปราสาทชื่ออะไรนะเวทเวทยันตเนียอยู่อยู่อยู่ตึกเดียวเนี่ยครับสามสิบห้าล้านคนเป็นเป็นภรรยาของท่านหมดเลยห่วงไหม โอ้โหขนาดว่าขนาดมาฟังธรรมพระเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปฟังธรรมพระเจ้าตอนที่พระเจ้าประทับที่ปุกพารามไปฟังธรรมอยู่พระเจ้าฟังแล้วก็ยืนฟังเสร็จก็รีบกลับติดเนะีห่วงไอ้ตอนนั้นยังไม่ได้บรรลครับหวงหวงหวงประเทศหวงบริษัทบริวารรีบกลับครับพระโมคคัลลานะครับอยู่ห้องใกล้กลๆพระเจ้าฟังไม่ได้ยิน พริยถาปิดเสียงได้อำนาจพุทธญาณพุทธลทธิ์ฤทพุทธิยถาปิดไม่ให้พระโมคคัลลานะได้ยินพระโมคคัลลานะก็อยากจะรู้พริจถาเทศเรื่องอะไรก็ห่อขึ้นไปไปเจอทาสกากำลังนั่นอยู่พอทาสกาเห็นโอ้โหพระเถระมาดีใจใหญ่ก็เลยพาชมปราสาสนี่นี่ภรรยาของผมของโยมสามสิบห้าคน สาสิบห้าล้านพระโมคคัลลานะสายสาต์ถามว่าวันนี้ไปฟ้องพุทธิยาพุทธิทยาเทศเรื่องอะไรจำไม่ได้ลืมทันทีเลยเพราะใจเป็นห่วงนะพวกเราถ้าห่วงอะไรอยู่ใจไม่น้อมในการฟางธรรมวุ่นวายไม่ทางจำได้ครับมันห่วงนู้นห่วงนี้อยู่ครับพระโมคคัลลานะบอกโอ้ท้าโกสีปมาแต่ท่านเข้าสมาบัติ ทำพื้นดินพื้นพื้นที่ตั้งของประาสาทที่เป็นน้ําเข้าอาโปกรสินอธิษฐานให้เป็นน้ําเข้าวายโอกรสินผักแล้วก็ใช้หัวไม่โป้งเขี่ยแค่หัวไม่โป้งเลยแผ่นดินไหวเลยครับแผ่นดินไหวยอดปราสาทเกือบทิ่มดินนลยได้กาลังบุญบุญของพระเทหลาฤทธิ์ของพระเทหลา ว่าชมไม่กระจอกมากในความรู้สึกของพระเถระเอาให้เห็นเลยว่าจริงๆมันไม่มไม่มันไม่ได้มั่นคงอะไรเลยเนี่ยจะให้พังก็ได้เนี่ยโอ้โหกลุ่มนางสนมกำนันร้องร้องกันสนั่นวันไหวหมดเลยเท้าสกัดตุ้งอุทานเนี่ยถึงพระรัตนตรัยเลยครับถึงพระเจ้าเลยจิตรวมถามบอกว่าพระเจ้าเทศเรื่องอะไร ความไม่ประมาทครับอบประมาถ้าทรรมบรกเนี่ยต้องการถามเรื่องนี้เทศว่าไงก็ไรมาเทศเสร็จนะรับแหละเนี่ย พ, พระเทเรลิตขนาดนั้ น, น, นบุญของท่านระดับนั้นเละทั้นคนไม่เกียงใจได้ไงใช่ไหมครับโอ้โ น, น, นี่นี่เป็นลักษณะนี้ งันกรณีตอนนั้นยังเป็นบุรตรชนในตอนเนี้ยมาฟังธรรมอยู่พุทธเจ้าก็มาถามไงถามบอกว่าฆ่าแต่เพราะองค์พูนิรทุกทศัพย์นี่นเจ้พูนิรทุกข์แปลว่าผู้ไม่มีทุกข์เพราะอะไรเป็นเครื่องหงวงเหนียวไว้เพราะอะไรเป็นเหตุ น, นั่นเองอะไรเป็นเครื่องหงวงเหนียวไว้เทวดามนุษย์อสูรนาครุฑคนทันและฝูงสัตว์อื่นๆ ทั้งที่มีอยู่ทั้งทั้งที่มีความคิดว่าพวกเราพึงไม่มีเวรต่อกันพวกเราไม่พึงข่มเหงกันพวกเราไม่พึงเป็นศัตรูกันไม่พึงเบียดเบียนกันอยู่เถิดเนี่ทั้งที่คิดกันอย่างนี้ทั้งนั้นสัตว์โลกทุกจำพวกเนี่ยแต่ทำไมยังต้องมีเวรต่อกันอยู่ทำไมหมูสัตว์ยังข่มเหงกันอยู่ทำไมยังเป็นศัตรูกันอยู่ทาไมถึงเบียดเบียนกันอยู่ อะไรเป็นเครื่องหนงเหนียวสัตว์อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยทําไมมันเป็นกันอย่างนี้ถามปัญหาพระเจ้ทาที่จริงก่อนจะถามปัญหาพระเจ้าเนี่ยจริงปราลบน้อยใจก่อนเนี่ยบอกบอกว่าโอ้บอกว่าไงไปเฝ้าพาระเจ้าไปดูกี่ครั้งแนละ้พวพระเจ้าไม่เคยบอกงั้นเดี๋ไปถามพระเจ้า ว, ว่าอครั้งนั้นไปเฝ้าพระเจ้าสั่งให้เทพเทดาบอกเอาไว้พระองค์รู้ไหม พระเจ้าบอกอ๋อตอนนั้นนะ่ตถาคตออกจากสมาบัติแล้วได้ยินเสียงเพลาล้อเพลากระทบกับกับดมเทาและดุมของของมหาบาพิษนะกระทบกันจริงจรนะิงเนี่ยตถาคตออกจากสมาบัติแล้วท่านไม่รู้ต่างหาก ไม่ใา่ความผิดของตนก็เลยก็เลยถามปัญหาข้อนี้เห็นไหมว่าปัญหาที่ท่านถามเนี่ยมันเป็นปัญหาทุกวันนี้จร mm ิงๆเนี่ยเป็นปัญหาจริงๆนะว่าเป็นพระด้วยนะก็มีความคิดว่าเออเนี่ยเราคิดว่าเออพวกเราไม่พึงมีเวรก่อกันไม่ควรค่มขืนกันไม่พึงศัตรูกันไม่พึงเบียดเบียนกันน่าจะสมัครสมานคิดกันอย่างนี้ ทำไมต้องว่า ก, กันทำไมต้องเป็นอย่างนั้นคิดเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเลยมันกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยเดี๋ยวก็ขัดแย้งกันเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันเดี๋ยวก็แตกแยกกันเดี๋ยวก็เบียดเบียนกันเดี๋ยวก็ว่ากั น, เ ด, กกนเดี๋ยวก็บ่นกันอะไรหนอเป็นเหตุอะไรเนอเป็นปัจจัยมันทไมเป็นแบบนี้พระเจ้าก็บอกว่าดูก่อนจอมเทพเพราะเทิสยาและความตณีอิศามัชริยนวงเหนียวไว น่วงเหนียวสัตว์นั้นไว้เขาเรียกว่าน่วงเหนียวในนี้ก็คือมัดตรึงความคิดของหมู่สัตว์ไว้ล็อกไว้ไอความริษยาและความตันนี่กุ้มรุมอยู่ในจิตใจของสัตว์พวกเทวดาอมนุษย์อสูรหน้าคดคนทันและฝูงสัตว์อื่นๆเนี่ยทั้งที่มีความคิดว่าพวกเราไม่พึงการไม่พึงข่มเหงกันไม่พึงเป็นศัตรูกันไม่พึงเบียดเบียนกันอยู่เถิดแต่ก็ยังเป็นเวรต่อการข่มเหงกันเบียดเบียนกันเป็นศัตรูกัน ทะเลาขัดแย้งกันเนี่ยไอพ่ออลิสยาและตันีอลิสยาและตนันีมันทำลายกันจริงๆเอลิสยาคืออะไรเนี่ยอลิสยาคืออะไรไลิสยามีความไม่พอใจในทรัพย์สมบัติและคุณความดีของบุคคลอื่นอลิสยานะ ถ้าใครมีคุณสมบัติหรือมีคุณความดีหรือมีสมบัติเช่นเช่นคนนี้มันรวยกว่าเราคนนี้มันสวยกว่าเราคนนี้ที่มันฉลาดกว่าเราคนนี้มีเสื้อผ้าดีกว่าเราคนนี้มีที่อยู่ดีกว่าเราคนนี้มีเครื่องนึ่งห่มดีกว่าเราคนนี้เนี่ยมันมันโมทนาไม่ได้มันโมทนาเขาไม่ได้มมไม่พอใจ มันมันมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันพอยินดีกับเขาไม่ได้มันยินดีกับเขาไม่ได้มันอนุโมทนาเขาหรือมุทิตาแทนที่จะพอยินดีกับเขาเช่นเขาได้รับเสียงชมเราก็น่าจะพอยินดีกับเขาอีนี้ลำเอียงชมแต่เขาไม่ชมกูมันออกไว้ฟมนั้นเลยนะ พอเขาต้อนเขาได้รับการต้อนรับแต่เราไม่ได้รับการต้อนรับมันต้อนรับแต่เขาไม่ต้อนรับกูพอาะงคนนั้นมางเดินออกไปต้อนรับพอกูมาเรียกทั้งนั้นไม่เห็นออกมาต้อนรับพอเขามาเปิดประตูรับพอกูมาปิดประตูใส่อะไรเงี้ยนะมันไม่ไม่โมทอนุโมทนากับเขาในบุญของเขาเขาบุญของเขาเห็นแก่เงินเนี่ยคนนั้นมีเงินเนอยอะคนนั้นมียอดมากไอ้กูไม่มีเงินเงินน้อยมีกูยอด น, อน้อยฮะ เคเห็นไหมครับไ อ, อตัวนี้ไงลิสยาลิสยานเป็นไปลักษณะแบบนี้ไม่ปรารถนาเห็นใครดีกว่าตนไม่มีใครปรารถนไ อ, อตอนหีมันมีลักษณะยังไงอ่ะทนไม่ได้ต่อภาวะที่สบปัดและของตนจะเป็นทนไม่ได้ต่อสิ่งของของตนเองมันจะเป็นของสาธารณะ ท่นทนได้ไหมว่าเอ๊ะบาทของเราเนี่ยใครอยากเอาไปใช้ก็ไปใช้ได้หมดหรือใครอยากเอาไปใส่ดินเล่น <c oughs> เอาเอาดาดไปบาทไปตากเอาไว้ไปดูอทีพวกเ อ, เอาเด็กเอาใส่ดินเล่นกันตากดิน <c oughs> สาธุ <c oughs> เครียดกินเลยนะอย่า ว, ว่าแต่นั่นเลยครับ แค่มดขึ้นบาทนะฮะมดเข้าไปในบาทเต็มไงเนี่ยออ้อมีอี้ก็ผมนะครับผมไปบินทบาทไอ้วันออกวันษาแล้วผมก็ลืมเอามาอาหารออกครับผมนึกว่าคนจะล้างให้ผมใช่ไหมครับแล้วผมก็เลยไปเก็บไว้เอ๊ะตั้งเป็นเจ็ดวันแปดวันแล้วเว้ย ม, มดมันขึ้นหัวเอ๊ยไม่มีใครล้างกูเลยเว้ยเนี่ยพอไปเปิดดูหืม เครื่องเลยเว้ยเฮ้ ย, ย ไ, ม ไ, ไม่ได้ไม่ได้เว้ยนึกในใจเว้ยรีบเอาไปจัดเองเน่าเลยเฮ้ยบาทเน่าเลยเรานึกว่าแต่นึกว่าแต่เนนด้วยว่าแต่ใครนั่นน่นเองนึกในใจโอ้เราเครื่องเลยเว้ยนี่แค่นี้แหละครับเนี่ยมันตันเหนีย่มันตนั น, ตนีมดมันขึ้นไม่อยากให้มดใช้สอย ผมเนี่ยต้องทำใจบ่อยมากเลยผมต้องคอยเปิดประตูเข้าไปผมเจอเต่พวกไอ้นี้มแมลงสาบในห้องน้ำผมก็ต้องคอยตักมาปล่อยตักมาปล่อ ย, อยทเยอะมากขึ้นมาเลยหวงไอ <c oughs> <c oughs> ้พวกนี้มันตายไปแล้วมันไปเกิดเป็นพวกมแมลงสาบเป็นหนอนมันห่วงที่ มันหวงที่กรับพกมดพวกะไรต่างมันเคยเป็นมนุษย์อยู่ที่ตรงนั้นและมันหวงที่มันในสังสารวัตรพอเราไปสร้างที่ตรงนั้นขึ้นมาปุ๊บมันก็เราก็บอกเป็นที่เรามันก็บอกเป็นที่มันไม่มีทั้งไม่มีของใครทั้งนั้นมันเครื่องครับขัดเครื่อง วินัยของพระเจ้าจึงไม่ให้ยึดใช่ไหมจึงวางลาดับตามวินัยนะครับถ้ามีคนมีภรษามากก่อนต้องผมต้องออกออกห้องที่ห้องนั้นแล้วต้องถวายได้นะครับถ้ามีรรษามากมาที่ตรงนี้วัอะไรปุ๊บท่านจะมาอยู่ผมจะต้องสลัห้องนะครับต้องจัดห้องไว้ใหอ้อย่างดีเพื่อถวายสงฆ์นะครับข้าน้อมกันอย่างนั้นนะไม่ใช่กูยึดต้องกูกูไม่ใช่ใชเพราะเนี่ยไอ้ไตัวนี้นะครับ ละตอนนี้แหละ ว, วินัยต้องการขัดเกลาตรงนี้ไอ้มัชริยะนี่ครับกฤติยาตายเมื่อไหรจะกลับสักทีเรามาเทไรกูต้องลาบากองนี้มาทีทไรได้ห้องดีๆทุกทีเลยย้อมคนนี้มาทีทไรก็ต้องมาดูแลอะไรเลยมั้ยฤตินาตัน มันมันกิเลสตัวนี้มันเป็นปัญหาออลักษณะอย่างนี้ว่ามันทนไม่ได้ไม่ยอมแบ่งสมบัติให้แกใครๆทะนั้น<ม>ทั้งริสยาและควมตตนีมันเลยจินเป็นเหตุทำให้เป็นเวรกันเป็นศัตรูกันเบียดเบียนกันข่มเหงกันโดวยวิธีต่างๆมากมายริสยาและตนีฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าแต่พระองค์ผู้นี้ละทุกข์ลิสยาและความตนีมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นแดนเกิดเนาะเมื่ออะไรมีอยู่ลิสยาและตนีจึงมีเมื่ออะไรไม่มีลิสยาและความตนีจึงไม่มีดูก่อนจอมเทพลิสยาและความตนีมีสัตว์และวัตถุอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นกาเนิดเป็นแดนเกิด เมื่อส Cold, ัตว์มีวัตถุอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักมีอยู่ลิสยาและตันีมันก็มีเมื่อสัตว์และวัตถุอันเป็นที่รักไม่เป็นที่รักไม่มีอยู่ลิสยาและความตันีมันก็ไม่มีไอตันนีเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากตนีและลิสยามันมีวัตถุสัตว์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักมันเป็นยังไง ตั น, นีมีสัตว์และวัตถุอันเป็นที่รักเป็นเหตุหมายความว่าอย่างไงพอรักแล้วเป็นไงรักก็ห่วงฤษยามีสัตว์แล้วัตถุอันไม่เป็นที่รักเป็นยังไงไม่รักมันก็กีดกันกีดกันไหมหรือว่าทั้งคู่เป็นเหตุของการทั้งสองก็ได้เช่นมีเครื่องประดับงามๆเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจห่วงหมเพราะมันรักไงพอรัก หวงไม่รักถ้าไม่รักเป็นไงถ้ามีของที่เราไม่ชอบแล้วของที่เราไม่ชอบที่เราไม่ชอบมันได้ดี oh. นั่นก็ลิสยาไงของที่รักและไม่รักเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทีนี้อย่าว่าแต่อย่างนั้นเลยนะว่า บอกว่าเกินลิสยายกยกตัวอย่างเช่นว่าเห็นคนอื่นมีก็ลิสยาไม่ต้องการให้ใครมีเหมือนตนอย่างยกตัวอย่างตัเองมีแหวนคนอื่นมีลิสยาก็แหวนมันควรมีเฉพาะเราคนนั้นมีทำไมไม่ใช่บางทีเห็นคนอื่นมีเหมือนเราเนี่ยก็ไม่ชอบใจ ได้คือคือคื อ, คอลักษณะอย่างนี้บอกว่าบางครั้งเนี่ยอย่างสุนัขนะครับไอ้สุนัขเนะี่ยมันแย่แล้วแก่แล้วใกล้าตายแล้วไม่ยังหวงนะบางคน น, นอกจากเราไม่มีใครดูแลมันได้หรอกบางทีเนี่ย ไปอยู่กับผู้หญิงแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยไปอยู่ใครไม่ได้ลองนอกใา ก, กูไอ้ผู้หญิงก็บอกมึงไปอยู่ใครไม่ได้อนอกใจ ก, กูมันหวงแม้สิ่งที่ตัวเองไม่ชอบมันยังไปมีความล็อกความเห็นขนาดนั้นนะฉะนั้นคําว่าวัดถูกเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักสัตว์สิ่งของอเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักนี่แหละมันเป็นปัจจัยเกิดความลิษยาและตณีมองเห็นไหม เออเช่นห่วงเก้าอี้ใช่ไหมห่วงเก้าอี้เนี้ยถ้าใครมาใช้เรารักเก้าอีน้นี้ไม่อยากให้ใครใช้แต่หนีใช่ไหมเรารักเก้าอี้แบบนี้และมีคนที่เราไม่ชอบมาใช้หรือเห็นคนที่เขามีของใช้ แต่เราไม่มีเห็นไหมเนี่ยริษยาคิดจะถามว่าไอ้ความลิษยาเนี่ยไม่ต้องเมื่อมีของไม่ชอบใจก็เกิดลิษยาว่านอกจากเราใครอื่นจงอย่ามีอย่างนี้อย่ามีอย่างนี้ถูกยืมก็จะหนีเมื่อไม่ชอบก็ไม่อยากให้ใคร เท้าสกัดถามข้าแต่พวกนี้ละทุกสัตว์และวัตถุนเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักนั้นะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นสมุทัยอ้าวสัตว์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นต้นมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเสือจเกิเพราะพุทธเจ้าก็บอกว่าข้าแต่เท้าโกสีบอกว่าความพอใจคือฉันท่า ฉันทะนี่เป็นเหตุไอตัวฉันทะความพอใจนี่แหละเมื่อมีฉันทะคือความพอใจนี่แหละไอความสัตว์แล้ววัตถุเป็นนิรักแล้เป็นเบนิรักมันเกิดขึ้นมันมีตัวชันทะเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นแดนเกิดน่าอธิษฐานบอกฉันทะไอความพอใจมีอยู่ห้าอย่างนะหนึ่งพอใจในการแสวงหาเพอาะเพันทะในนี้คือการมาชันทะนะคือตัณหานะ สองก็คือพอใจในการรับสามก็คือพอใจในการบริโภคคือใช้สอยสี่ก็พอใจในการสะสมสะสมไว้สี่ก็ห้าก็พอใจในการสะละักพอใจในการสะละักการการพอใจในการแสวงหาเอาอยากได้อะไรแสวงหาไหม แสวงหารูปแสวงหาเสียงแสวงหากลิ่นแสวงหารสแสวงหาผลิตภัแสวงหาบ้านแสวงหารถแสวงหาทรัพย์นี่พอใจในการแสวงหาแล้วก็พอใจในการได้รับพอแสวงหาก็ได้รับสิ่งนั้นก็พอใจพอใจพอใจพอใจแล้วแล้วก็พอใจในการบริโภคก็คือใช้สอยโอ้ยชื่นใจดีใจในการพอใจใช่แล้วก็พอใจในการสะสมคือเก็บ เก็บเก็บเก็ บ, บ, บจะเก็บสิ่งนั้นไว้แล้วก็พอใจในการสละไอ้พอจะตั้นหาเลยนะไอ้อย่างนี้กูเอาไว้อันนี้กูสละเอามาแล้วได้อาหารมาก็มาจัดจัดจั ด, จ ด, จ ด, จ ด, จดอันนี้กูพอใจในการรับอันนี้พอใจบริโภคนี่กูจะเก็บไว้ไอันนี้สละตั้นหาจัดแจ้งหมดเลยชันทะไอ้ น, นี่มันเป็นเหตุแห่งการวัตถเุเป็นที่รักและเป็นที่รักมาจาอพอใจตัวนี้ มันจะพอใจตัวนี้พอมาเปดเสร็จเก็บโอ้โหของในบ้านเต็มเก็บในห้องเต็มบางที่ไม่กล้าสละเลยนะครับเก็บวางบางคนนะีม่มันจําได้ไงวะบางคนนะไปดูหฮ้ยจำได้ไงมันหยิบถูกได้ไงวะันไปดูเครื่องแต่งกายผู้หญิงสิไปเคยเห็นไหมเขาวางไว้เต็มเลยตกใจเลยตกใจเลยนะอย่างเราหยิบไม่ถูกใช่ไหมครับ พอใจในการสะสมใช่ไหมพอใจในการบริโภคเขะเขาเขาจำไว้หมดเขาจํไาจได้หมดเลยเนะื้อสีนี้ทาตรงไหนสีนี้ทาตรงไหนก็ทาถูกแม่นเลยเนะืถ้าอย่างเรานี่เปรอะหน้าเลยครับไม่รู้จะไปทาตรงไหนไหนทาหูไหนทาจมูกก็ไหนทาปะไม่มีเลยพอใจในการสละพอใจในการสละก็หมายความว่า ไอ้ตรงนี้สะสมไว้อันนี้เก็บใจไว้อันนี้ไว้บริโภคอันนี้รับอันนี้เราแสวงหามายากอันนี้แสวงหาได้ลําบากอันนี้เรารับไว้จากคนนั้นคนนี้เราสละได้แค่เนี้ยอันนี้สละไว้แค่นี้อันนี้สละแค่นี้ไอ้ที่มันให้นั้นไม่เป็นทานที่ถูกต้องด้วยนะเป็นฉันทาทานังนะครับเป็นโทสะทานังโมหะทานนางเนอะมันไม่ได้เป็นบุญเป็นฉันทาทานนางโทสะทานังโมหะทาน มันจะบริสุทธิ์ได้ไงมีตันหามนาริติเข้าก็กุ้มลมอยู่เนี่ยไม่มันทีมันอยากได้ก็ได้พอดีมันไอคนนี้ชอบหน้ามันเอาของดีให้มาหน่อยของนี้นี่ไม่ชอบเอาตัวนี้เองขอแล้วตัวนี้ยไอคนนี้รู้สึกว่าถ้าให้แล้วมันจะได้ประโยชน์ก็เอาตัวนี้ก็แล้วกันเมันมันมันมันพอใจในการสละแบบเนี้ยมันพอใจอย่างเงี้ยโอ้เยอะหมดเลยนี่ไอตรงนี้แหละมันเป็นปัจจัยตัวการ ของที่เป็นที่รักแก็ไม่เป็นที่รักนะเราไม่รักเรารักวัตถุนี้ไม่รักวัตถุนี้เรารักบุคคล น, นี้ไม่รักบุคคล น, นี้เราชอบใจสิ่งนี้ไม่ชอบใจสิ่งนี้ไอ้ฉันท่าเนีนพอใจในการแสวงหาพอใจในการรับพอใจในการบริโภคพอใจในการสะสมพอใจในการสละอันนี้เก็บไว้เฮ้ยอย่าเพิ่งให้อันนี้เก็บไว้นิยาอะไรเนี่ยนี่เก็บไว้เ <c oughs> ขาใหญ่าง อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อน้ำซอโ อ, โอเคแล้วช่วยใส่ตู้เย็นไว้หน่อยขยองกูเนี่ยอ๋อถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีตัณหามานาทัทิ่ติมามาตัณหาด้วยถ้าให้ด้วยปัญญาด้วยให้ด้วยสติให้ต่างๆไม่ได้เป็นข้อนี้ให้ด้วยเหตุผลของปัญญาอย่างแท้จริงไม่มีแง่งอน ไม่มีตัวตันหามานาทิติเข้ามาปรุงแต่งไม่มีปัญหามีความพอใจเข้าใจอย่างตอนนี้โอ้โหเรื่องใหญ่โตมากเลยนะช่<ป> บดเด็นก็ อ, อย่างนี้ด้วยนะถ้าไม่เป็นฉันทาเนี่ยมันละตั้หาภายในก่อนนะมันเป็นปัญญาเป็นจิตตะลังการาทานังให้เพื่อประดับจิตตกแต่งจิตปุงแต่งจิตให้เพื่อฝึกตัวเองให้เข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาให้เพื่อเป็นการสละข้างในสละกิเลสสละความยึดติดทั้งหลายเราจะขัดเกลาตัวเองด้วยการให้พอคิดพิจารณาอย่างนี้ เ, นเสร็จปุ๊บก็มาแยกแยะ บุคคลตามลำดับความสำคัญอะไรก็ว่าไปแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการสละข้างใน ấy, คือกิเลสเราจะสละกิเลสเรายึดติดสิ่งนี้เราพอใจโดยเฉพาะได้ของที่รักนี่นั่นพอได้ของที่รักมาปุ๊บเนี่ยเอาละของนี้ไม่ควรแก่เราเราจะทำลายเราจะทาลายให้ของที่ได้ของที่ชอบปุ๊บตึงขึ้นมาเลยแต่เนี้ย ดีแล้วงานนี้กูจะจัดการเลยฮนะกูจะทำการแล้วที่บอกท่านครับอาหารนี้ผมรับมาด้วยจิตติรามกอาหารนี้จึงไม่ควรก่กระผมครับช่วยอนุเคราะห์ผมด้วยครับประกาศเลยว่าเราตอนเรารับนะจิตลรามกเกิดขึ้นจริงๆ ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็เราน้อมน้อมน้อมสลากอยู่เลยก็อยู่ที่ท่านคิดตอนนั้นเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิต อย่างนี้ก็ดีก็ทาําลายก็ทําลายความชอบนั่นเองทิ้ง ก, ก็เป็นการฝึกกันฝึกก า, กกานกากที่นี้ <S <S เข้าใจคําว่าฉันทะแล้วเนาะพอใจในการแสวงหาโอ้โหเราอยากจะได้ตรงไหนตรงนี้เลยเราจะไปแสวงหานี่พอใจในการพอใจในการรับก็เยอะใช่ไหมเรารับสีรับเสียงรับเลยพอใจในการบริโภคใช้สอย พอใจในการสะสมแล้วก็พอใจในการสละฉันทาห้าประการนี้เป็นตัณหาเมื่อยังมีตัณหาสัตว์แล้วว่าตัวนันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักก็ย่อมเป็นไปโดยธรรมดาเพราะมีตัณหานี่เอ๊ยยังมีสัตว์นันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักทีนี้ฉันทะมีการมาฉันทะเป็นต้นมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นเด่นเกิดเพราะมีอะไรมีฉันทะทั้งห้าอย่างยังมี พระจาก็บอกว่าท้าโกสีวิตกนีวิตกตารนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยวิตกก็คือการตรึกการยกอารมณ์เนี่ยวิตกก็คืออย่างนี้เมื่อเมื่อได้วัตถุมาแล้วการกำหนดในใจว่าประมาณเท่านี้สำหรับรูปเรามันตึกมันคิดใช่ไหม ว่าเราได้ต้องการได้สีประมาณเท่านี้ได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้ผลิภัเท่านี้เท่า น, านี้สำหรับต้นเราต้องการอาหารเท่านี้สำหรับเราคนอื่นเท่านั้นเนี่ยเสื้อผ้าของเราเท่านี้คนอื่นเท่านั้นตรงนี้เนี่ยมันมันตึกมันคิดมันตรองหมดเลยในนี้แต่มันเป็นพวกกามมาวิตกนะเป็นพยาบาทวิตกนะมไม่พอใจเลยนะบางทีมีคนมายิบเนียวางไว้ตรงนี้มายุ่งเลย มันวิตกไงเพกามวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิ่งสาวิตกบ้างเนี่ยมันไอการตรึกตรงนี้แหละการกําหนดทีเนี้ยมีได้ด้วยอำนาจของการตัดสินใจด้วยวิตกนี่แหละเขาเรียกวิตรักก่าวิวิทนิชยะการตัดสินด้วยวิตกเมื่อจู่ใจแล้วก็เกิดฉันทะเมื่อตึกจนจบจู่ใจแล้วตรึกคิดจนจู่ใจแล้วเอออย่างนี้นะก็ฉันทะเลยดพอใจทต็ทีอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า เราจะสแสวงหาเท่าไหร่เนี่ยวิตตกมันคิดอืมพอคิดโอเคแล้วแค่เนี้ยจุใจแล้วเรารับเท่าไหร่ตู้คนเขาเนี้ยเออเราจะบริโภคเท่าไหร่อเอาจนจุใจแล้วเราก็จะสะสมเท่าไหร่แล้วเราจะสละเท่าไหร่วิตกเป็นตัววิวนิจฉัยหมดเลย <c oughs> เป็นตัววินิจฉัยจัดการหมดเลยวิตกเขามามีบทบาทหมดเลยเนี่ยวิตกมันเป็นปัจจัยแก่ฉันทัทีนี้ และไอวิตกเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยวิตกมันเกิดได้เพราะอะไรใช่ไหมการตรึกการดต่างๆการวิไัยการตัดสินมันเกิดได้เพราะอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็ด่นเกิดพระเจ้าบอกว่า ป, ปัปปันจะสัญญาสังขารก็คือว่าสัญญาอันประกอบไปด้วยความเนื่นช้าทํามันเป็นเครื่องเนื่นช้าคือสัญญาที่ประกอบกับตัณหามันที่ทิ ก็คือถามบอกว่าไอตัววิตกเนี่ยมันมาจากมันไอ ป, ปั่ปันจะสัญญาบอตัณหามานาทิฏฐิมันเป็นเหตุของวิตกตัณหาในปั่ปันจะทำบวกการที่จิตใจของเรากระสับกระสายเกรงกลัวทั้งหลายพิจารณาบอกว่าเมื่อจิตใจดิ้นรนกระเสือกสนทั้งหลายไอตัวนี้แหละไอตัณหามานาทิฏฐิเนี่ยพอเรามันจําได้ พอมันจำได้แล้วมีตัณหาก็มีมันมีอยากได้อยากใหญ่ใจแคบไปตัวมันนะเพราะมันมีคำว่าเรามีอัของของเรามีอัตราตัวตนของเราปุ๊บมันก็มีวิตกเกิดตรึกตัดสินวิธิัยวิตกเกิดก็มีฉันทะในการแสวงหาเป็นต้นแล้วก็มีของเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักจากของเป็นที่รักแลวเป็นที่รักมันก็เลยผักให้เป็น นสตนีพอเนสต์ยาตนหีผักออกมาก็กลายเป็นขัดแย้งเบียดเบียนกระทบกระทั่งกันที่เป็นปัญหามาจนถุกวันมองเห็นไหมยังมันเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันอย่างนี้ฉั้นรากมันจริงๆคือตันหักมานาทิชทิที่พูดถึงเรื่องปรับปัญญธรรมเนี่นะนี่เป็นรากเป็นรากที่มันเป็นตัวผันพิสดารอยู่ปุงแต่งพิสดารอยู่แล้วมันก็ผักออกมาเป็นวิตกจากวิตกก็เป็นฉันทะจากฉันทะก็อารมณ์เป็นที่รักแล้วไม่เป็นที่รัก จากอารมณ์เป็นที่รักเปไม่รักก็เกิดริษยาตนีพอริษยาตนีก็ผักเป็นพฤติกรรมออกมาการกระทามาขัดแย้งกันทะเลาะกันเป็นศัตรูกันเบียดเบียนกันโลกก็เลยวุ่นวายจนทุกวันนี้แหละอันนี้ไม่จบอันนี้ยังไม่ได้พูดว่าเท้าสกะถามต่อโอ้โหพอเห็นโทษรา ย, ยานี้ก็เลยถามบอกว่าโอ้โหน่ากลัวมากไอ้ตัณหามาณนะทิถิไอ้ปปัญกระทามเนี่ย ว่าไงเถอะเพราะไอ้ตัวตนามาณทิฏฐิมันเกิดผักให้วิตกมากมายวินิจฉัยมากมายตัดสินมากมายวิตกมากมายก็เป็นปัญหาการสแสวงหามากมายการสแสวงหามากมายเาพราะเป็นวัจัยแก่ความชอบใจอารมณ์ที่รักไม่เป็นวัตถุสังขารไม่ปที่รักแล้วไม่เป็นที่รั ก, แ ล, ลกแล้วก็ผักเป็นลิษยาตณีอย่างริษยาตณีก็ผักมาเป็นการขัดแย้งทะเลาะข่าฟันกันแย่งชิงอะไรกันเยอะแยะหมดหวงเงินตามมาเยอะมากก็เลยบอกว่าถามภริ้าว่าภิกษุ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีการปฏิบัติมีปฏิปทามีข้อปฏิบัติที่สมควรและจะสามารถดับไอตัวสัญญาประปันญญธรรมเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรจะดำเนินชีวิตอย่างไรถึงจะสามารถดับสัญญาที่ประกอบไปด้วยประปันธรจะ ถึงจะดับมันได้จะดับไอตัวบ้า น, นี่ม่ได้เนี่ยไอตัวผันพิสดารได้ทํำยังไงพิกูจปฏิบัติอย่างไรพิสูจน์ปฏินี่ปฏิบัติอย่างไรบาสุบาสิกาในาศาสนาขงพุทธิ์ขิจารณ์เจ้าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะสามารถดับสัญญาที่ประกอบกับปันประปันจะทำดับตัณหามานาทิฐีได้ให้มันดับสนิทโดยไม่ต้องผลมาเกิดโดยโดยโด ย, โดยให้มันดับสนิทจะปฏิบัติอย่างไรครับอันนี้ถามถึงข้อปฏิบัตินะครับเนี่ย ใช่ไหมเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของทุกขกับสมุทยัยใช่ไหยพูดถึงว่าเราจะดับยังไงจะเข้าถึงนิพพานยังไงพูดถึงนิโรธ ถ, ถามข้อปฏิบัตินี่ถามถึงมรรคถามในวิธีการภาคลงมือทำภาคปฏิบัติการว่าจะทำยังไงว่างั้นเถอะพุทธบริษัทสมีภิกษุเป็นต้นจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะสามารถกําจัดอตัณหามนัสิทธิ์ให้ดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือโอ้เรื่องยาวเลยมาพูดเรื่องปฏิบัติ พระเจ้าถามถึงว่าดูก่อนเท้าจอมเทพสมมานัตเวทนาโทมานัตเวทนาอุเบกขาเวทนาตถาคตจําแนกเป็นสองส่วนเป็นสองส่วนก็คือที่ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีบุคคลใดเสพสมมานัสเวทนาโทมานัตเวทนาอุเบกขาเวทนาแล้ว ไปเสพเวทนาเหล like ่านี้แล้วกุศลธรรมกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นอกุศลธรรมเสื่อมสมนัตเวทนาทมนัสเวทนาเวขาเวทนานั้นควรเสพแต่ถ้าเธอไปเสพสมนัตเวทนาทมนัสเวทนาและเวขาเวทนาใดแล้วอกุศลมันเจริญขึ้นแต่กุศลธรรมเสื่อมเวทนานั้นไม่ควรเสพกำหนดเวทนาอันนี้ เวทนานุปัสนาสติปทานเนอะมีความเพียรมีสมปัญญะมีสติกําจัดและพิชาและโทมานต์ในโลกเสียได้ฉะนั้นจับเวทนาให้เป็นเกี่ยวข้องกับเวทนาเวลาเกิดสมัสเวทนาปุ๊บดูที่ว่าอกุศลธรรมเจริญขึ้นหรือกุศลธรรมเจริญขึ้นถ้ากุศลธรรมเจริญขึ้นอกุศลธรรมต้องเสื่อมถ้ากุศลถ้าอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมต้องเสื่อมไม่ควรเสพไม่ควรเสพกินอาหารปุ๊บ ได้สมมานาสเวทนาใช่ไหมแล้วตอนนั้นถ้ากุศลธรรมมันจเจริญขึ้นควรเสพอกุศลธรรมมันเสื่อมแต่ถ้าอากุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไม่ควรเสพไม่ควรเกี่ยวข้องควรมานาสิกานใหม่ทอมนานัตอุเบขาเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พูดถึงในเรื่องของกายสมาจารวจีสมาจารปริเยสนาก็คือส่งข้อในปฏิโมกข์สังวรสินอิสีเป็นต้นอะไรเนี้ยเออเออ ก็มกษาศีลกับอาชีวปริสุทธิ์ศีลแล้วก็พูดเรื่องการสำรวจอินทรีย์คือตาหัวจมูกเล่นกายใจเป็นต้นก็สังวรพอได้อินทรีย์สังวรเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพระเจจาก็บอกว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดก็บอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะธรรมารมก็จำแนกว่าควรเสพแลวไม่ควรเสพพิจารณาว่า เสพรูปแบบไหนอกุศลเจริญกุศลเจริญก็แล้วแต่เนี่ยให้สีเสียงกิรลดโพธิภพนี่โดยสรุปเลยนะแล้วสุดท้ายพระท้าสกัถามมาสมณาาพาหณทั้งหมดมีวัฏยอย่างเดียวกันมีศีลอย่างเดียวกันมีฉันทาอย่างเดียวกั น, ม, ก น, ม, น, กนมีที่สุดเป็นอันเดียวกันหรือพระเจ้าข้าะพุทธเจ้าบอกว่าหาไม่ได้ สมณพรามทั้งหมดไม่ได้มีวาทะอย่างเดียวกันไม่ได้มีศีลอย่างเดียวกันไม่ได้มีฉันทาอย่างเดียวกันไม่ได้มีที่สุดอย่างเดียวกันเพราะเหตุไรพระเจ้าค่ะโลกธาตุโลกธาตุเป็นอันมากสัตว์ฝังใจในธาตุใดๆแน่วแน่แล้วก็ยึดถือแน่วแน่ในเรื่องนั้นบัญญัติว่านี้เท่านั้นเป็นจริงซึ่งอื่นเหลวเพราะฉะนั้นสมณาพรามทุกคนจึงไม่ได้มีวาทะอย่างเดียวไม่ได้มีศีลอย่างเดียวไม่ได้มีฉันท่าอย่างเดียวกัน ธาตุแต่ก่อัธยาศัยอัธยาศัยก็หมายความว่าตรงนี้สรุปอย่างนี้ก็แล้วกันว่ามนุษย์เนี่ยมันมีอัธยาศัยที่ต่างกันธาตุต่างกันความชอบใจและไม่ชอบใจต่างกันคนที่ชอบปัญญาคนที่ชอบฤทธิ์คนที่ชอบ การศึกษาคนที่ชอบอยู่ป่าคนที่ชอบสมาทานทุดดงใช่ไหมเป็นต้นเหล่านี้มันมีอัธยาศัยต่างกันหมดเลยเนะียคนนี้ชอบสีคนนี้ชอบเสียงคนนี้ชอบกลิ่นคนนี้ชอบบ้านอย่างนี้ชอบรสอย่างนี้ค่านิยมอย่างนี้สัตว์มันมีอัธยาศัยต่างกันและมันมีข้อปฏิบัติต่างกันมันจึงหลากหลายแบบนี้มันเป็นไปตามไอตัวตันหามนาทิธ ฉะนั้นถ้าปฏิบัติขัดเกลาตนเองแล้วเนี่ยจนสามารถถอดหรือดับประปัญจัดสัญญาเป็นต้นได้ปุ๊บเนี่ยขนาดดับได้แล้วนะยังมีอัธยาศาัยต่างกั น, เ, นเช่นภาษาลิบุตรคนชอบปัญญาไปหาภาษาลิบุตรคนชอบฤทธิ์ไปหาพระโมคคัลลานะคนชอบปปุธุดงไปอยู่กับพระหมาหกากระสบใช่ไหมีคนชอบการศึกษา ไปหาพาผาอน์นี้ไปต้นเนี่ยหรือพราลามกไปหาพระเทวทัตเนี่ยนี่แคู่ั้นมนุษย์เนี่ยหลากหลายจริงๆฉะนั้นจงอยู่บนความหลากหลายด้วยความรู้และเข้าใจแต่จะปฏิบัติอย่างไรที่จะสามารถดับ ป, ปัญนจสัญญาก็พูดถึงหนึ่งเวทนา2ก็คือปฏิโมกสังวรแล้วก็อาชีวปริสุศ์ศีลแล้วพูดเรื่องอินทรีสังวร แล้วก็การปฏิบัติสิบโลภเสียงกินรสปวดพระพะก็คือดําเนินไปตามมัชิมาปริบทาเพื่อไม่ให้ตันะเพื่อจะดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์มันจะสามารถดับประปัจะสัญญาที่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งความเนื่อนช้าเป็นต้นได้สรุปลักษณะนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็พูดถึงเทวดาก็ถามความต่างกันของมนุษย์ของเทวดาของผมของธาตุของอัธยาศัยะพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีอัยาศัยต่างกัน มีศีลข้อปฏิบัติต่างกันวางเงื่อนพอจะชัดเจนอย่างมันดึกแล้วสมควรเกียวเวลาอ่าว่าตอนตอนที่กําหนดเวทนาสามเนี่ยว่าอะไรคือกุศลหรือไม่ใช่คือแบบนี้ว่ากําหนดเวทนาใดแล้วเสพเวทนาใดแล้วหรือเวทนาใดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกุศลแลธรรมจเจริญขึ้นอกุศ ล, ลธรรมเสื่อม เวทนานั้นไม่ควรเสพเออถ้ากุศลเจริญขึ้นอกุศลธรรมเสี่อมเสื่อมเวทนานั้นควรเสพแต่ถ้าอกุศลเจริญขึ้นกุศลเสื่อมเวทนานั้นไม่ควรเสพตัวโยนิโสตัวโยนิโสมนสิการก็คือมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติก็หมายความว่าถ้าทอมนัสเกิดขึ้นแต่ท่านนะครับทรมนัสเวทนาเกิดคุณแล้วบาปท่านเกิด บ้านเลยอ่ะถ้าทุกไอ้อย่างเงี้ยท่านต้องมนัษยการใหม่ใส่ใจใหม่มีความเพียรมีสติมีสัพชัญญะกำจัดอภิชาและทรมนัตสกัดไม่ให้ อ, อกุศลเกิดให้กุศลท่านั้นเกิดขึ้นให้เสพเวทนาแบบนี้แต่ไม่ใช่ใวิ่งหนีเวทนาเช่นโดนทบหัวโตมเงี้ยครับตอนนี้นกิเลสมันเกิดใช่ไหมแล้วก็ไปไหนไม่ได้ด้วยเงี้ยตอนนั้นท่าน ถ้าถ้าอากุศลเกิดขึ้นท่านไม่ควรเสพเวทนาแบบนั้นให้มนัสสิการทรมนสเวทนาด้วยสติด้วยสมชญญายด้วยความเพียรให้กุศลเกิดให้เสพเวทนาแบบนี้ไม่ใช่ว่ากินอาหารปุ๊บแล้วมันกิเลสเกิดหยุดกินก็ได้ถ้าท่านจะหยุดแต่มันจำเป็นนะทำไงท่านต้องมนัสสิกานเพื่อให้กุศลเกิด และอกุศลเสื่อมไปแล้วจึงกินต่อมันจะเกิดสมวิรัเวทนามันอร่อยไงใช่ไหมมันรู้สึกถูกปากมันได้สุกทางสุกกาไอ้สุขสุทางทางทางทงกายภาษาไอ้ทางทางชิวหาศาสตรมันอร่อยอ่ะมันถูกกะถ้าท่านอร่อยปุ๊บขึ้นมาถ้าเป็นตัญหามานัติตรขึ้นมาท่านก็ต้องละแล้วต้องมานัสิการดโดยการพิจารณาวิจัย ให้เสพเวทนาที่เป็นปัจจัยแก่กุศลแต่อย่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับเวทนาปุ๊บอกุศนเกิดขึ้นถ้าอากุศนเกิดขึ้นท่านต้องดับอกุศนนั้นถ้าหลีกได้ก็หลีกถ้าหลีกไม่ได้ก็วิจัยสู้เงี้ยเพื่อให้กุศลเกิดขึ้นจากการอาศัยหรือเสพเวทนานั่นอย่างนี้เป็นต้นพอเห็นไหมเอาเบียนเบียน อันนี้อันนี้ต้องต้องดูด้วยว่าถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเครียดไหมทุกไหมทรมานไหมเป็นกายทรมานหรือใจทรมานถ้ากายทรมานกายมันขาดถ้าใจทรมานเป็นอกุศลโทมนัตใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้กายมันขาดน้ำตาลถามว่าถ้าเป็นน้ำตาลอย่างอื่นที่ไม่ใช่โคก มันได้เหมือนกันนะรับไหวไหมถ้ารับไหวมันโอเคเลยตรงนี้ใช่ไหมเอาน้ำตาลมาละลายน้ําดื่มโอเคได้ถ้ามันไปเกิดไปล็อกว่าต้องยีหอนีต้องระวังตรงนี้คาดเก่าต้องคาดเก่าเพราจะชัดเจ น, ดเนได้โอเคสาธุโมทนากรบเราอเขอยพ้นทุกโดยเร็วสาธุ